กานเรยนพนยร้อคล้ายๆห้องเลคเชอร์หลวงพ่อไม่ได้มาธรรมศาสตร์สามสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่ตุลาหนึ่งเก้าแต่ก่อนเรียนอยู่จุฬาแต่มาธรรมศาสตร์บ่อยไม่ได้มาจีบสาวธรรมศาสตร์มาฟังอภิปรายมาเดินกระบวนกาไม่นึกหรอกว่าที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเขาจะมีการฟังธรรมะกันด้วย นึกว่ามีแต่อภิปรายกันเมืองมีใครไม่เคยเจอหลวงพ่อไหมมีไหมโอ้เยอะอย่างนี้ใช่ได้เป็นหลวงพ่อเบื่อบเบือบ่อพวกหน้าซ้ําๆำ <c oughs> ไปไหนนะ้าเราก็ไปเราก็ไม่รู้จะเทศอะไรแล้วนะเพราะพวกนี้รู้หมดเลยพอเราขึ้นกาะเอ้ยเกาไก่เขาตอกเขาไข่ขยอยู่ในเล้าได้ละนะคนที่ไม่เคยเจอหลวงพ่อใครเคยฟังซีดีไหม มีใครไม่ไ ม, ไม่ทั้งไม่เคยเจอไม่เคยฟังซีดีไม่เคยอ่านหนังสือมีไหมหายากนะจัดว่าเป็นระดับบุคคลที่หายากในประเทศไทยไม่เคยเจอแต่ไม่แปลกนะแต่ไม่เคยฟังไม่เคยอ่านนี่แปลกแล้วตอนนี้สิ่งที่หลวงพ่อเทศไปหลายปีที่ผ่านมานี่มีคนที่ฟังแล้วก็รู้เรื่องนนับจำนวนไม่ท้วนละพวกเราเริ่มจับหลัก ของศาสนาพุทธได้แม่นขึ้นแม่นขึ้นเวลาฟังที่หลวงพ่อเทศนะ์นะหลวงพ่อจะพยายามอธิบายทั้งระบบให้เราเห็นภาพทั้งระบบของศาสนาพุทธเลยตนะั้งแต่ว่าเราจะมีศาสนาพุทธไปทําไมนะศาสนาพุทธนะัเป็นสิ่งที่ให้คําตอบกับเราว่าทำยังไงเราจะไม่ทุกข์และศาสนาพุทธเป็นเรื่องเรื่องของทุกข์ทั้งนั้นเลยทำไงเราจะมีชีวิตอย่างไม่ทุกข์ได้นัเราต้องเรียนรู้ ศา ส, สนาพุทธจะสอนตั้งแต่ว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากอะไรทํำยังไงเราจะพ้นจากความทุกข์ได้เรื่องที่คุยกันก็จะวนเวียนอยู่ในเรื่องเหล่านี้เพราะเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเลยชีวิตของคนแต่ละคนเกิดมานะก็วนเวียนอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลาแต่บางคนไม่รู้สึกว่าทุกข์ความจริงแล้วมันทุกข์อยู่ตลอดเวลานะถ้ามีสติจริงๆค่อยรู้สึกอยู่นะเราจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งหมดเลย คำว่าทุกในศาสนาพุทธนะี่มันไม่ใช่แค่ว่า อ, อกหักเป็นทุกตกงานเป็นทุกนะเอนทรานเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เอนทรานเพื่ออะไรแอดมิดแอดมิดไม่ได้เป็นทุกไม่ใช่นะไม่ตื้นขนาดนั้นศาสนาพุทธสอนลึกซึ้งลงไปนะั้นว่าอะไรเป็นทนะุกน่ะท่านบอกโดยย่อขันทั้งห้าเป็นทุกขันทั้งห้าพูดง่ายๆภาษาไทยก็คือกายนี้ใจนี้แหละคือตัวทุกกายนี้ใจนี้เราไปไหนเราก็เอาไปด้วย เมื่อเราไปเอาไปไหนก็เอาไปด้วยนะแล้วเราจะพ้นทุกข์ได้ยังไงบางคนไปมองความทุกข์ตื้นๆนะครับแค่ว่าความแก่เป็นทุกข์นะความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพลัดพลากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์อยากอะไรแล้วไม่ได้อย่างที่อยากเป็นทุกข์อะไรเงี้ยอันนั้นเป็นแค่อาการปรากฏของมันเงถามว่าอะไรเป็นตัวทุกข์ความทุกข์นะถ้าไม่ใช่กายทุกข์ก็ใจทุกข์ รู้สึกไหมความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อื่นความทุกข์ไม่ได้อยู่บนเวทีใช่ไหมความทุกข์ไม่ได้อยู่กับไมโครโฟนไม่ได้อยู่กับแก้วน้ําไม่ได้อยู่กับอะไรเลยความทุกข์อยู่ที่กายกับใจถ้ากายไม่ทุกข์ใจไม่ทุกข์แล้วอะไรจะทุกข์พระพุทธเจ้าจบอกว่ากายนี้ใจนี้แหละตัวทุกข์แล้วทํายังไงจะพ้นจากมันได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเราไปไหนเราก็เอากายเอาใจไปด้วยตั้งแต่เกิดมานะก็มีกายมีใจไปไหนก็พาไปด้วย ขึ้นเขาลงห้วยเข้าไปด้วยกันแล้วก็จะหนีไปได้ยังไงหนีไม่ได้เนี่ยเป็นศาสตร์ที่แปลกมากเลยพระพุทธเจ้าเลยไม่สอนให้หนีทุกข์เพราะเราไม่สามารถจะหนีทุกข์ได้เนื่องจากทุกข์ก็คือสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั่นเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจนี่ยะพระพุทธเจ้าท่านค้นพบวิธีการว่าทำยังไงเราจะสามารถอยู่กับกายกับใจโดยไม่ทุกข์ได้ตรงนี้เราเป็นเรื่องอัศจรรย์มาก ถ้าเข้าใจการภาวนาเข้าใจการปฏิบัตินั้นเราจะพบว่าน่าทึ่งที่สุดเราอยู่กับกายอยู่กับใจอยู่กับทุกข์โดยที่เราไม่ทุกข์ได้มีกายมีใจอยู่แต่ไม่แบกไม่หามกายกับใจเอาไว้ไม่มีภาร ะ, ระทางจิตใจที่จะเกิดขึ้นอีกเนี่ยศาสตร์ของาศาสนาพุทธนะ่าจะสอนจนกระทั่งเราสามารถหลุดพ้นออกจากความทุกข์ได้กายนี้ใจนี้ก็ยังมีอยู่ไปไหนก็ไปด้วยกันแต่ไม่ทุกข์กายมันทุกข์นะใจมันทุกข์นะ แต่ไม่มีเราที่เป็นทุกอีกต่อไปละสิ่งเหล่านี้ฟังแล้วเหมือนปรัชญาฟังแล้วเหมือนยากมันยากมากเลยถ้าเราไม่รู้วิธีปฏิบัติแต่พวกเรามีบุญมีวาสนามากนะเรามีพระพุทธเจ้ามาบอกเราว่าวิธีปฏิบัติทํายังไงจิตของเราจะไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือจิตถ้าเราไม่ไปหยิบฉวยไว้มันก็ไม่หนักนะกายนี้จิตนี้กายนี้ใจนี้เป็นของหนักนพระพุทธเจ้าสอนนะบอกขันทั้งห้าเป็นของหนัก บุคคลแบกของหนักพาไปเนี่ยย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงเนี่ยเรามีวิธีปฏิบัติเจนกระทั่งเราไม่หยิบฉวยกายไม่หยิบเฉวยใจนะกายมีอยู่ใจมีอยู่แต่ไม่หนักหลวงพ่อยกตัวอย่างนะแก้วน้ํานี้นะแก้พลาสติกเนี่ยอันไหนจะหนักกว่ากันเราเห็นอย่างนี้เราก็ต้องบอกว่าแก้วน้ําหนักกว่าในชะ่ไหมแต่ถ้าเราไม่หยิบแก้วน้ําไว้เราถือแต่พลาสติกไว้เนี่ยนะพลาสติกจะหนักกว่ากายนี้ใจนี้ก็เหมือนกันนะ โดยตัวของมันะเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเป็นของหนักแต่ถ้าจิตเราไม่ไปหยิบฉวยมันขึ้นมานะจิตจะไม่หนักจิตจะโล่งโร่งเบาจิตใจจะกว้างขวางมีแต่ความรู้มีแต่ความตื่นมีแต่ความเบิกบานมีแต่ความสุขกลางวันก็มีความสุขกลางคืนก็มีความสุขอะไรเกิดขึ้นก็มีความสุขอยู่นั้นเองเป็นศาสตร์ที่อัศจรรย์เป็นศาสตร์ที่น่าเรียนที่สุดนะพวกเรามีบุญมีวาสนามากเลยที่เราได้เกิดมาในแผ่นดิน ซึ่งธรรมะอันนี้ยังดำรงอยู่ยุคสมัยที่ธรรมะอันนี้ยังดำรงอยู่ถ้าไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีทางหรอกที่จะค้นพบวิธีที่จะอยู่กับกายกับใจโดยไม่ทุกข์มันคล้ายๆที่ครูบาอาจารย์ท่านชอบเปรียบเทียบเหมือนดอกบัวดอกบัวเกิดจากโคลนจากตมนะดอกบัวอยู่ในน้ําดอกบัวไม่เปื้อนโคลนไม่เปื้อนตมดอกบัวไม่เคยเปื้อนน้าไม่เปียกจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ย อยู่กับขันห้าอยู่กับกายอยู่กับใจนี่แหละแต่ไม่ทุกข์ทำยังไงเราจะอยู่กับกายกับใจได้โดยไม่ทุกขนะ์นี่คือหรือพิธีการปฏิบัติธรรมพวกเราค่อยๆฟังนะไม่ยากเท่าที่คิดหรอกพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าทุกข์ให้รู้ทุกขังอริยสัจจังปรินยยังนี่ต้องมีภาษาบาลีหน่อยได้ดูเป็นพระน่อยทุกขังอริยสัจจังปรินยยังทุกข์เป็นของที่ควรรู้ รู้แบบรู้รอบด้วยมีปาริปาริเยริปาริมเยริยังทุกเป็นของที่ควรรู้รอบอะไรคือทุกกายกับใจคือทุกถ้ากายไม่ทุกใจไม่ทุกแล้วใครจะทุกก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราท่านบอกทุกให้รู้ท่านไม่ได้บอกว่าทุกให้ละท่านไม่ได้บอกให้ทุกให้หนีแต่ผู้ปฏิบัติที่ไม่ได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ดีพอเจอทุกอยากจะหนีทุกอยากจะไม่พบทุก บางคนเวลาทําบุญนะสมัยก่อนขอวงพ่อเคยเห็นเวลาทําบุญนะจบเลยนะอธิษฐานเจ้าประพูน ด, ด้วยบุญอันนี้เกิดชาติใดชันใดอย่าได้พบความทุกข์นี่แหละกาลังอธิษฐานว่าเกิดชาติไหนก็อย่าได้นิพพานถ้าไม่รู้ทุกข์จะนิพพานไม่ได้ถ้าไม่รู้ทุกข์จะนิพพานไม่ได้ไรู้ทุกข์รู้ตามความเป็นจริงนะการที่เราเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนี่เรียกว่าวิธีรู้ทุกข์ การเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงมีชื่อเพราะเพราะนะว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานว่าการเห็นอย่างวิเศษเลยการเห็นตรงตามความเป็นจริงเห็นกายตรงตามความเป็นจริงเห็นใจตรงตามความเป็นจริงทุกข์ไม่ต้องหนีมันแต่ทุกข์ให้รู้มันในตรงนี้นะคนทั่วไปทํำยังไงก็คิดไม่ออกหรอกว่าทุกข์ให้รู้มีแต่ทุกข์ให้ละทางนั้นนะทุกข์ให้หนีทุกข์ให้ละแล้วพระพุทธเจ้าบอกทุกข์ให้รู้ สิ่งที่เรียกว่าทุกบอกแล้วว่าคือกายกับใจเพราะฉะนั้นงานของชาวพุทธเรานะีคือการคอยรู้กายคอยรู้ใจรู้ไปทําไมรู้เพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจดูลงไปที่กายดูลงมาที่ใจคอยรู้สึกตัวไว้ทํายังไงเราจะรู้กายรู้ใจได้เราต้องไม่ใจลอยต้องไม่ใจลอยถ้าเมื่อไหร่เราใจลอยสังเกตไหมเวลาเราใจลอยเราไปคิดเรื่องโน้นเราไปคิดเรื่องนี้ ขณะที่เราไปคิดเรื่องร้อนเรื่องนี้นะเรามีกายแต่เราลืมร่างกายไปเรามีใจเราก็ลืมจิตใจตัวเองจิตใจจะสุขจิตใจจะทุกข์จิตใจจะดีจิตใจจะร้ายเรามองไม่เห็นแล้วเพราะนั้นเมื่อไหร่เราลืมตัวเองเมื่อไหร่ลืมตัวเองเมื่อนั้นจะไม่รู้กายรู้ใจะเมื่อไหร่หลงไปคิดเราจะไม่รู้กายรู้ใจเราจะรู้แต่เรื่องที่คิดแม้ครูบาอาจารย์หลายองค์เลย ท่านเคยพูดเหมือนๆกันอย่างหลวงปู่ดูลัณฑ์ท่านบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้ถ้าคิดอยู่จะไม่รู้ถ้ารู้อยู่จะไม่คิดแล้วเราคอยรู้ทันนะเวลาใจเราหลงไม่คิดมันลืมกายมันลืมใจลืมความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่เป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติธรรมทายัางไงเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาได้ไม่ยากหรอกถ้าเมื่อไร่เรารู้ว่าจิตเราแอบไปคิดในฉับพลันนั้นเราจะตื่นขึ้นอย่างทันทีเลย เมื่อไรรู้ว่าจิตแอบไปคิดเราจะตื่นในฉับพลันนั้นเลยเราจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาสามารถรู้กายรู้ใจได้โดยอัตโนมัติเลยดังนั้นขั้นแรกเลยนะพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆศัตรูของความรู้สึกตัวก็คือใจลอยใจลอยหรือเหม่อเม่อไปใครไม่เคยเหมอมีไหมในห้องนี้มีไหมหลวงพ่อขอดูโสมหน้ารู้จักเหม่อไหมรู้จักเหม่อไหมรู้จักใจลอยไหม เด็กสมัยใหม่เนี่ยไม่รู้จักคําว่าใจลอยต้องบอกเหม่อเหมออยนี้พอรู้เหม่อเมเผลอเไปเฟลินเไปขณะที่เหม่อไปเผลอไปเฟื่นไปนั้นมีกายก็เหมือนไม่มีลืมมันมีใจก็เหมือนไม่มีเคยเห็นคนโทรศัพท์ไหมคนเวลาพูดโทรศัพท์เวลาพูดสังเกตไหมต้องออกท่าออกทางเห็นไหมทําท่าแปลกแปลกทำท่าพิลึกพิลึกสาวๆบางคนนะไม่ใช่แอบดูนะเพื่อนมันเห็น โทรศัพท์นะัโทรศัพท์ไปก็แคะฟันบ้างแคะหูม้างเกาหัวบ้างเ่ถ้าถ้ามีสติอยู่จะไม่ทำใช่ไหมขณะนั้นท่านทําไมทำอ่ะมันลืมตัวเองไปเกิดคันหูมันก็แคะหูเกิดคันหัวก็เกาหัวนะทำยุกยิกยุกยิบนะอยากดูคนบ้าไปดูคนโทรศัพท์นะเหมือนจริงจริงนะเพราะอะไรตอนในขาดสติอย่างแรงเลยคนบ้าไม่มีสติหรอกเนะี่จะเผลอเพลินไปนะทํำท่าแปลก นั่นเราคยรู้สึกนะอย่าให้น่าเกลียดถ้าไมื่ไหร่เราลืมกายเมื่อไหร่เราลืมใจเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดแม้นั้นน่าเกลียดหลงไปเผลอไปลืมไปไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้นี่ทํายังไงจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงมีสองสเต็ปนะอันแรกต้องรู้กายรู้ใจให้ได้เสียก่อนอยากรู้กายรู้ใจให้ได้ต้องไม่ใจลอยถ้าใจลอยไปนะก็จะรู้กายรู้ใจไม่ได้แล้วทํำยังไงจะไม่ใจลอยห้ามไม่ได้ จิตจะลอยใจจะลอยห้ามไม่ได้แต่เราฝึกได้ที่ว่าใจลอยแล้วเรารู้สึกใจลอยแล้วเรารู้สึกวิธีฝึกง่ายๆเลยค่อยสังเกตดูอย่างเวลาฟังหลวงพ่อพูดนีสังเกตไหมบางทีก็มองหน้าหลวงพ่อบางทีก็ตั้งใจฟังฟังสองสามคำนะก็จะต้องสลับไปคิดใจของเราเนี่ยไม่มีใครหรอกที่ฟังอย่างเดียวมีแต่ฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิ ด, ฟ, คดฟังแล้วก็คิดสลับกันไปเรื่อยๆดูออกไหม นะดูจากของจริงเลยนะพวกเราดูจากของจริงเราไม่ได้เรียนปริยัตเราเรียนการปฏิบัติแล้วเราดูจากของจริงเลยสังเกตไหมขณะที่ฟังหลวงพ่อบางทีก็มองหน้าหลวงพ่อบางทีก็ตั้งใจฟังฟังได้นิดเดียวก็อแอบไปคิดสลับไปสลับมาเราทําแบบนี้มาตั้งแต่เล็กๆแล้วตั้งแต่เราคุยกับพ่อกับแม่อ้อยแอ้อะไรมาตั้งแต่เด็กเราก็ทําแบบนี้แต่เราไม่เคยรู้ทันตัวเอง แล้เราค่อยๆสังเกตตัวเองเวลาเราคุยกับคนอื่นใล้เราเราคุยไปฟังไปคิดไปนะดูหน้าเขาบ้างฟังบ้างคิดบ้างหรือวันนี้กลับบ้านไปดูทีวีวเดี๋ยวก็จะเห็นเลยเดี๋ยวเราก็ไปดูรูปในทีวีเดี๋ยวเราก็ไปฟังเสียงเดี๋ยวเราก็สลับไปคิดฟังไปดูไปนะคิดไปสลับกันตลอดเวลาสลับไปสลับมาหัดรู้ทัน จิตไปฟังให้รู้ว่าไปฟังจิตไปดูให้รู้ว่าไปดูจิตไปคิดให้รู้ว่าไปคิดหัดอย่างนี้บ่อยๆต่อไปจิตไหลไปคิดนะจิตไหลแวบไปไหลไปคิดนิดเดียวท่านั้นเองสติจะเกิดขึ้นเองเพราะจิตมันจําได้แล้วว่าจิตที่หลงไปคิดเป็นยังไงทันทีที่รู้ว่าจิตไปคิดนะจิตจะตื่นขึ้นมาจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความจริงความคิดปิดบังความจริงเอาไว้ ท้าเมืไรเราตื่นขึ้นมาเรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดเมื่อไหรเราจะตื่นขึ้นในฉับพลันนั้นเลยมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนอยู่วัดสนามในนะสิ้นแต่หลายปีแล้วหลวงพ่อเทียนสอนดีมากเลยหลวงพ่อเทียนสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติถ้ารู้ว่าจิตคิดนะจะได้ต้นทางของการปฏิบัติไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดนะพวกเรารู้แต่เรื่องที่จิตคิดแต่เราไม่รู้ว่าจิตกําลังคิดอยู่ ทำไงเราจะรู้ได้ว่าจิตกาลังคิดเราต้องซ้อมต้องซ้อมที่จะรู้เพราะงั้นต่อไปนี้นะเวลาไปดูทีวีสังเกตไหมเดี๋ยวก็ไปดูรูปเดี๋ยวก็ไปฟังเสียงเดี๋ยวก็ไปคิดเวลาเราคุยกับคนอื่นเดี๋ยวเราก็มองหน้าเขาหน่อยเดี๋ยวเราก็ฟังเขาพูดเดี๋ยวเราก็คิดจิตไปดูให้รู้ว่าไปดูจิตมันไปฟังให้รู้ว่าไปฟังจิตมันไปคิดให้รู้ว่าไปคิดฝึกอย่างนี้บ่อย ถ้าไปพอจิตไปคิดแป๊บเนี่ยสติจะเกิดเองมันจะไม่หลงคิดนานไม่เหมอเป็นชั่วโมงชั่วโมงหรอกคนในโลกที่ไม่เคยเรียนธรรมะไม่เคยฝึกปฏิบัติเนี่ยหลงวันละหนึ่งครั้งตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่เคยรู้สึกตัววัละครั้งเดียวแต่ผู้ปฏิบัตินะพอใจไหลไปคิดแวบรู้สึกนี่หลงเป็นหนึ่งทีแล้วเดี๋ยวก็ไหลอีกแวบหนึ่งรู้สึกอีกนะงั้นคนปฏิบัติจริงปฏิบัติเก่งนะจะหลงวันหนึ่งร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้ง นาทีหน we ึ่งหลงตั้งสิบครั้งยี่สิบครั้งเนี่ยแล้วจิตไหลไปคิดก็รู้สึกจิตไหลไปคิดก็รู้สึกพอเรารู้สึกเนี่ยเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดเมื่อจิตเราหลุดออกจากโลกของความคิดแล้วเราจะทำงานขั้นต่อไปได้ขั้นแรกให้รู้สึกตัวนะรู้สึกตัวขั้นที่สองพอรู้สึกตัวแล้วเนี่ยคอยดูกายค่อยดูใจมันทำงานไปเราจะดูกายดูใจทำงานเหมือนเราเห็นคนอื่นทำงานเห็นร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอน เหมือนเราเห็นคนอื่นยืนเดินนั่งนอนอยู่เห็นใจนี้มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งเหมือนเราเห็นคนอื่นมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งเห็นใจมันโกรธนะเมื่อเราเห็นคนอื่นโกรธเห็นใจมันโลภเมื่อเราเห็นคนอื่นโลภเห็นใจมันหลงใจมันลอยไปเราก็รู้สึกคล้ายๆเหมือนเห็นคนอื่นใจลอยเท่านั้นเราเป็นแค่คนดูะเนื่อใจที่ตื่นออกมาจากโลกของความคิดแล้วไม่จะกลายเป็นคนดูไม่ใช่คนแสดงอีกต่อไปแล้ะเราเป็นแค่คนดู จะเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทํางานไปเรื่อยๆเห็นจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทํางานไปเรื่อยๆการรู้กายรู้ใจเห็นมันทํางานไปเรื่อยๆเรียกว่ารู้อย่างตามความเป็นจริงข้าวใบกับใจเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่เรียกว่าอนิจจังกายกับใจเนี่ยทนอยู่ในสภาวะอันเดียวนานๆไม่ได้มันถูกบีบคั้นตลอดเวลาเรียกว่าทุกขขังกายกับใจนี่นะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยที่มากระทบไม่ใช่ตามที่เราอยาก นี่เรียกว่าอนัตตาความจริงของกายของใจก็คือไตรลักษณ์นั่นเองอันนี้จังทุกขังอนัตตากายนี้มันเคลื่อนไหวตลอดเวลามีกายของใครไม่เคลื่อนไหวตลอดเวลาไหมมีไหมหม ah follow ัวใจหยุดเต้นยังหัวใจก็ยังไม่หยุดเต้นมันยังทํา ง, งานเห็นไม่มันเคลื่อนไหวเลือด ก, ก็ยังวิ่งอยู่ในตัวเองลมหายใจก็ยังทํางานอยู่เลือด ก, ก็วิ่งไปเรื่อยๆร่รรางกายนั้นก็ทํางานตลอดเวลาเคลื่อนไหวตลอดเวลา ถ้ามองให้หยาบขึ้นมานะั้ะเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนนะเนือร่างกายมันเคลื่อนไหวอยู่ตอลอดเวลามันไม่เที่ยงมันทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้มันถูกความทุกข์บีบคั้นอย่างนั่งนานนานเมื่อยใครนั่งมาถึงตอนนี้ที่หลวงพ่อพูดมาหลายนาทีแล้วใครนั่งมาถึงตอนนี้แล้วยังไม่เมื่อยมีไหมมีไหมมีไหมใครยังไม่เมื่อยไม่กล้าตอบไม่มีหรอก คนที่คิดว่ายังไม่เมื่อยนะ่ะพราะไม่รู้ไม่รู้ไม่มีความผิดนะยกโทษให้จาเลยถ้าไม่เมื่อยเราจะขยับตัวทำไมสังเกตไหมเราขยับตัวอยู่ตลอดเวลาเลยนั่งตรงนี้เมื่อยมันก็ขยับนิดหนึ่งเนี่ยแก้เมื่อยลนะเราขยับเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยจริงๆขยับแก้เมื่อยตลอดเวลาเลยเห็นไหมเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้แก้เมื่อย มันจริงๆแล้วร่างกายน่ะทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้นิ่งๆอยู่งั้นไม่ได้มันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นสิ่งที่จิตรรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงคนที่ฝึกกับหลวงพ่อตอนนี้สามารถเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นแค่วัตถุนี่ยคนที่เห็นอย่างนี้ได้มีเป็นหมื่นแล้วคนที่เห็นอย่างนี้ได้เยอะแยะไปหมดเลยสมัยก่อนไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวนี้เยอะแยะไปหมดไปที่ไหนก็มีแต่คนเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรา <bullied> เมื่อสองสาวันนี้มีเด็กเก้าขวบคนหนึ่งนะเด็กเก้าขวบไปส่งกันบ้านส่งกันบ้านซะผู้ใหญ่สะทกสถานหวั่นไหวเลยผู้ใหญ่บางคนนะลืมความเป็นผู้ใหญ่เลยอิจฉาเด็กขึ้นมาก็มีนะเด็กเก้าขวบมันบอกว่าเนี่ยมีวันหนึ่งนะมันปวดลูกตาปวดตาเนี่ยเด็กนี้ก็ดูหยุดเอ๊ะร่างกายคือลูกตาเนี่ยไม่ได้ปวดความปวดเป็นสิ่งที่แอบเข้ามาอยู่ในลูกตานะ จิตเป็นคนไปรู้จิตมันเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นความปวดอยู่อีกส่วนหนึ่งจิตก็อยู่อีกส่วนหนึ่งนี่เด็กฝึกไม่นานเลยนะ<ม>เด็กเก้าวขวบเองมาฟังหลวงพ่อก็ไม่นานเท่าไหรนี่ก็แยกขันออกไปได้เห็นกายส่วนกายเห็นเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ก็อยู่ส่วนเวทนาเห็นจิตก็อยู่ส่วนจิตนะ<ม>เห็นสังขารเช่นความโลภความโกรธความหลงอะไรก็ทํางานของมันขันแต่ละขันทํางานของมัน นี่เข้ารู้ไปเรืลยเขาจะเห็นเลยร่างกายอย่างพวกเราอย่ารู้สึกว่าลูกตาของเราปวดนี่คนทั่วๆไปนะถ้าเจ็บต า, าเราจะรู้สกตาของเราเจ็บตาของเราปวดถ้าหัดภาวนามาได้ดีขึ้นนะจะเห็นว่าตามันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บถ้าภาวนาดีมากกว่านั้นนะจะเห็นว่าตาก็ไม่ได้เจ็บนะแต่ความเจ็บแอบเข้าไปอยู่ในตาเนี่ยจะเป็นลําดับลําดับไปนะสุดท้ายกายก็ไม่ทุกนะใจก็ไม่ทุกแนละ้วความทุกเป็นสิ่งที่อยู่ตา่างหา นี่ค่อยๆฝึกนะแล้วมันเป็นเองแหละหัดรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็ดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานถึงวันหนึ่งจะเห็นเลยร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่ทํางานเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเห็นเองขอให้ตื่นขึ้นมาเท่านั้นเองส่วนใหญ่ไม่สามารถเห็นได้นะเพราะอะไรเพราะเวลาลงมือปฏิบัติทำทีไรเพ่งทุกทีเลยผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนี่พูดแบบสุภาพนะ ผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยคือนักเพ่งอาชีพเวลารู้ ล, ลมหายใจเอามาเอาจิตไปจ่อไว้ที่ลมหายใจไม่ให้หนีไปที่อื่นเวลาดูท้องผองยุบนะเอาจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องไม่ให้จิตหนีไปที่อื่นเวลาเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าเอาจิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าไม่ให้ไปที่อื่นนี่เป็นการบังคับตัวเองทั้งสิ้นเลยบังคับกายบังคับใจตลอดเวลานี่ไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาไม่ใช่การบังคับตัวเองวิปัสนาคือการรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็น ตามความเป็นจริงรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไปบังคับมันบางคนบอกว่ามูนี้ภาวนาไม่ดีเลยเมื่อไหร่ผมจะเก่งเหมือนคนอื่นนะคนอื่นเขานั่งได้โต้รุ่งเขาทนความเจ็บปวดได้เขาเอาชนะเวทนาได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เอาชนะเวทนาเวทนาเป็นขันนะเป็นวิบากหน้าที่ของเราต่อเวทนาคือการรู้ขันห้าเป็นกล่องทุกข์ ยกเว้นตัวตันหาตัวเดียวเป็นตัวสมุทัยขันห้าเป็นกองทุกหน้าที่ต่อทุกคือการรู้เพราะงั้นไม่ใช่นั่งเพื่อจะเอาชนะเวทนาแต่นั่งจนเกิดปัญญาเห็นในยกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะงั้นกายจะเจ็บปวดนะมีความปวดแทรกเข้ามาในกายเนี่ยจิตจะไม่ทุรนทุรายเลยนี่กายกับจิตมันคล้ายๆมันต่างคนต่างทํางานไปเนี่ยฝึกมากๆนะต่อไปเวลาเราเจ็บหนักใกล้จะตายเราจะเห็นเลยร่างกายมันนอนอยู่ ความเจ็บปวดทั้งหลายนะมันแอบเพ่อมาอยู่ในร่างกายไม่ใช่ร่างกายด้วยจิตเป็นคนดูเนี่ยจิตใครรู้ใครดูนะเห็นร่างกายมันตายไปเราก็ไม่เดือดร้อนนี่เรียกว่าเราไม่ยึดกายได้จิตก็เหมือนกันเราคอยดูจิตไปจิตจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพวกเราเคยรู้สึกไหมทุกวันความรู้สึกของเราไม่เหมือนกันรู้สึกไหมบางวันตื่นขึ้นมาก็เซง็งเซงบางวันตื่นขึ้นมาก็สดชื่นรู้สึกไหม ถ้าแต่ละวันเราดูได้นะความรู้สึกเราไม่เหมือนกันแล้วก็มาฝึกให้ละเอียดขึ้นไปอีกเช้าสายบ่ายเย็นในวันเดียวกันเนี่ยความรู้สึกของเราก็ยังไม่เหมือนกันเลยอย่างตอนเช้าตื่นขึ้นมานะขี้เกียจไปทํางานนะ่ยตอนสายขับรถไปทํางานหงุดหงิดรถติดมากหงุดหงิดไปถึงที่ทํางานแล้วนะแหมขี้เกียจอย่างไรไม่อยากเห็นไหมความรู้สึกเปลี่ยนไปเป็นขี้เกียจอีกแล้ว ทํางานแล้วเจ้านายเรียกไปชมเจ้านายเรียกไปใจตุ้มต้มต่ำๆเก็จะให้สองขาวก็ไม่รู้นะพอเขาเรียกไปเขาไม่ได้ให้สองขาวเขาเรียกไปชมเนี่ยใจที่กําลังกังวลเนาะก็เปลี่ยนเป็นใจที่พองชียดีใจแม่ใจเราเปลี่ยนตลอดเวลาหัดรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจตัวเองไปเราไม่ต้องการให้คนอื่นมารู้ใจเราเราทําตัวเป็นผู้รู้ใจตัวเองให้คนอื่นมารู้ใจเราเราก็ต้องคอยเอาใจเขาเขาจะได้มาสนใจเรา เราเปลี่ยนมาเป็นคอยเทคแคร์ตัวเองนะมาดูใจตัวเองเรารู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆต่อไปเราจะเห็นเลยว่าใจของเราเนี่ยไม่เคยคงที่เลยใจของเราเปลี่ยนตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงในวันเดียวกันเนี่ยนะจิตใจหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปหลายรูปแบบเหลือเกินนับไม่ถ้วนเลยนาทีหนึงก็เปลี่ยนทั้งหลายครั้งเดี๋ยวตอนส่งกันบ้านจะพาให้ดูว่าจะเห็นเลยว่านาทีหนึงเปลี่ยนหลายครั้ง เราค่อยๆสังเกต ใ, ใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วเราสั่งมันไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้นะห้ามชั่วก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างนีอันนี้เรียกว่าอนัตตาเราบังคับไม่ได้เราฝึกดูของเราไปเราจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ได้ไหดูไปอย่างนี้เรื่อยๆนี่เรียกว่ารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเมื่อเรารู้ตามความเป็นจริงจนสมควรนะจนพอเนี่ย จิตจะเริ่มละความเห็นผิดตรงนี้มีกระบวนการที่จะเกิดอริยมรรคเบื้องต้นเรียกโสดาปติมรรคโสดาปติมรรคไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรให้เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรื่อยๆไปเห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานไม่ใช่เราทำงานเห็นกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนเห็นจิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลไม่ใช่เราสุขเราทุกข์เราเป็นมีกุศลอกุศลดูอย่างนี้เรื่อยๆ ถึงจุดหนึ่งเนี่ยปัญญามันเพียงพอนะจิตมันจะรวมเข้ามาจิตจะรวมเองไม่ต้องหัดเข้าฌานจิตก็รวมเองนะจิตจะรวมเข้าอัปนาสมาธินี้พูดคนไหนไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะเว้นไว้ก่อนในะวันหนึ่งเราก็จะเจอด้วยตัวของเราเองจิตมันจะรวมเข้ามานะมันจะตัดความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายทิ้งไปเลยเหลือแต่ความรับรู้ในใจอันเดียวเลยเสร็จแล้วมันจะเกิดกระบวนการของอริยมรรคขึ้นมานะกระบวนการที่จะตัดกิเลสแบบขุดลากถอนโขน จิตจะเห็นสภาวะธรรมบางอย่างเกิดดับสองสามขณะแวบๆหรือบางคนก็แวบๆๆสองสามขณะถามว่าอะไรเกิดดับไม่รู้ว่าอะไรเกิดดับเพราะไม่มีสมมุติบัญญัติอีกต่อไปแล้วไม่ได้คิดนึกลงแต่งแล้วเห็นแต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นอย่างนี้เสรแล้วจิตจะวางสิ่งที่จิตรู้เนี่ยทวนกระแสะเข้าหาจิตทวนกระแสะเข้าห า, าธาตุรู้แท้ๆนะ ถ้าจากนั้นอริยามรรคก็จะเกิดขึ้นจะกดลากถอนคนกิเลสเขาทําของเขาเองเวลาที่อริยามรรคเกิดนะเกิดเพียงหนึ่งขณะเท่านั้นไม่เกิดสองขณะเมื่อเกิดอริยามรรคแล้วเนะี่ยจิตจะไปเห็นนิพพานนะแล้วถัดจากนั้นเนี่ยจิตก็ไม่มีงานทำแล้วจิตจะะเจอเสวยความสุขอยู่สองสามขณะเห็นนิพพานอยู่กับ น, นิพพานสองสามขณะเสร็จแล้วจะถอยออกมากลับมาสู่โลกภายนอกเหมือนที่เราอยู่กันตอนเนี้ ถัดจากนั้นจิตมันจะทวนเข้าไปทบทวนตัวเองเลยว่ากิเลสอะไรเนี่ยมันล้างไปแล้วกิเลสอะไรยังเหลืออยู่งานที่เรายังต้องทํายังมีอีกตรงนี้จิตตัดครั้งแรกเนี่ยหลังจากนั้นแล้วนะผู้ปฏิบัตินะั้นจะไม่รู้สึกเลยว่ากายนี้คือตัวเราจิตนี้คือตัวเราไม่รู้สึกเลยแต่ยังยึดถืออยู่เหมือนอย่างแก้วน้ําเนี่ยหลวงพ่อไม่เห็นว่าแก้วน้ํำนี้เป็นตัวหลวงพ่อแต่เรายังยึดถือนะเพราะเรายังต้องฉันน้ําอยู่นี่ทําให้ดู หลังจากนั้นนะให้รู้กายรู้ใจต่อไปอีกนะรู้ไปเรื่อยๆกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนะตามดูของจริงไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งปัญญามันแจ้งขึ้นมากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆยากไหมกว่าจะเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆยากที่สุดเลยพวกเรายัางไม่ไมีใคยเห็ น, นที่นั่งหน่าสลอนเหลือ พวกเรารู้สึกไห้ยอมรับกับตัวเองไหมเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมเราไม่ได้เห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์นึกออกหรือยังเราพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าขันห้าเป็นทุกข์แต่เราไม่ได้เห็นเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกหรือยังเพราะฉะนั้นเราไม่ได้รู้ธรรมะนะเรารู้สึกไหมจิตใจของเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมเพราะนั้นพวกเรายังไม่เรียกว่ารู้แจ้งอริยสัจนะ ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจเราต้องภาวนาต้องมีสติมีสติคืออย่าหลงไปคิดโน้นคิดนี่นะให้คอยรู้สึกกายรู้สึกใจพอรู้สึกกายรู้สึกใจแล้วอย่าบังคับกายบังคับใจนะกายเป็นยังไงก็ดูไปอย่างนั้นแหละรู้ว่าเป็นอย่งางงั้นจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่าไปบังคับมันผู้ปฏิบัติเกือบร้อยร้อยชอบบังคับกายบังคับใจเช่นจะเดินจงกรมนะก็ต้องเดินไม่เหมือนคนธรรมดาผิดปกติและเครียด จะนั่งสมาธินะจะหายใจจะทํำอะไรผิดธรรมดาไม่เหมือนคนปกติให้เครียดไปหมดเลยอย่างนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่วิธีเจริญวิปัสสนาต้องรู้ตามที่เขาเป็นรู้ไปอย่างสบายๆรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นสบายๆไม่ใช่รู้ด้วยจิตที่เคร่งเครียดเนี่ยเฝ้ารู้ไปนะวันหนึ่งจะเห็นเลยกายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ทุกข์ล้วนๆธรรมะอันนี้คิดยังไงก็คิดไม่ออกคิดยังไงก็คิดไม่ออกจนวันใดนะเราพอนาไปใจ มันปล่อยวางความยึดถือกายไปแล้วมันเห็นในกายนี้ทุกล้วนๆมันไม่ยึดถือกายแนละ้วเหลือใจอันเดียวใจนี้เราก็ยังยึดอยู่เรารู้สึกว่าใจนี้เป็นที่พึ่งที่อาศัยใจที่มีความรู้สึกตัวหลอเลี้ยงอยู่นี่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจนี้คือที่ฝักเป็นฝักตายใจนี้มีสุขล้วนๆเห็นไหมมิจฉาทิฐินะใจเป็นสุขล้วนๆ เนี่ยเราเฝ้ารู้จิตซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้ไปอย่างสบายๆถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นว่าตัวผู้รู้ตัวจิตผู้รู้เองก็ยังตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเหมือนกันถูกบีบคั้นเหมือนกันบังคับไม่ได้เหมือนกันถ้าเห็นอย่างนี้เห็นแจ้งอย่างนี้นะมันจะสลัดคืนจิตให้โลกไปมันทิ้งจิตนะจิตก็ยังมีอยู่จิตก็ทาหน้าที่ของจิตแต่ไม่ยึดถือจิต กายก็มีอยู่นะกายก็ทำหน้าที่ของกายแต่ไม่ยึดถือกายนั้นถัดจากนี้ไปเนยะร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายนะเราจะไม่เดือดร้อนกับมันอีกต่อไปลวเพราะเราไม่ยึดถือมันจิตก็เหมือนกันจิตจะไปรู้อารมณ์ที่เป็นสุขหรือจิตจะไปรู้อารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะความสุขเกิดขึ้นหรือความสุขจะหายไปอุเบกขาความเป็นกลางจะเกิดขึ้นหรือความเป็นกลางจะดับไปก็ไม่เดือดร้อนนะ อะไระไรเกิดขึ้นก็ไม่เดือดร้อนเราก็จะพ้นจากความเดือดร้อนเพราะความยึดถือกายยึดถือจิตได้ถ้าไม่ยึดกายไม่ยึดถือใจนะเราเห็นว่ากายนี้ใจนี้นั่นแหละคือตัวเราถ้าไม่ยึดถือในกายไม่ยึดถือในใจนะกายกับใจยังมีอยู่แต่ไม่ยึดมันเราจะไม่ทุกข์เพราะมันอีกต่อไปแล้วพระพุทธเจ้าสอนศาสตร์อันน่าอัศจรรย์ที่สุดพวกเราเรามีสตินะ ใจลอยแล้วรู้ทันใจลอยแล้วรู้ทันถัดจากนั้นคอยรู้กายถัดจากนั้นคอยรู้ใจดูกายตามที่มันเป็นดูใจตามที่เขาเป็นเขาเป็นยังไงดูไปรู้ไปอย่างนั้ น, นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเราก็แค่เห็นมันยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นสุขจิตเป็นทุกข์จิตเฉยเฉยเราก็เห็นจิตมันเป็นสุขทุกข์เฉยเฉยจิตเป็นกุศลอกุศลเราก็แค่เห็นทาตัวเป็นแค่คนดูไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งจยปัญญาพอแล้วมันจะปล่อยวางเอง พอปล่อยวางแล้วมันจะพบสภาวะที่อจจัศจรรย์ที่สุดเลยว่าทำยังไงเป็นไปได้ยังไงความทุกข์ไม่มีความทุกข์เหลืออยู่ที่ไกนะความทุกข์อยู่ในร่างกายมีแต่ความทุกข์ที่ใจไม่มีอีกต่อไปละเป็นธรรมะที่อจจัศจรรย์ที่สุดนะไม่เคยนึกไม่เคยฝันเลยว่ามันจะเป็นไปได้นะเวลาไปรู้ไปเห็นนะไค่อยๆฝึกไปวันหนึ่งเราจะได้รับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลย ความสุขที่ไม่อิงอาศัยคนอื่นไม่อิงอาศัยสิ่งอื่นความสุขจากการที่ไม่ยึดไม่ถือกายและใจของตัวเองที่เรายึดถือคนอื่นยึดถือสิ่งอื่นนะมันเริ่มมาจากยึดถือกายกับใจของเราก่อนมันมีตัวเราก่อนมันถึงมีลูกเรามีเมียเรามีสามีเรามีบ้านของเรามีรถของเรามีเงินต่อมามีชื่อเสียงเกียรติยศ มีทรัพย์สินเงินทองหน้าที่การงานของเราเนี่ยสารพัดนะกระทั่งหมาของเราแมวของเราเราไม่ได้ทําให้มันเกิดซะหน่อยะมันเกิดของมันเองเราก็บอกมันเป็นของเราตลกไหม <c oughs> แล้วก็คิดว่าโนทเป็นของเราอันนี้เป็นของเรามันเริ่มไปจากยึดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราก่อนนะ <c oughs> พอมีกายกับใจเป็นตัวเราแล้วสิ่งอื่นมันก็มาเป็นของเรา <c oughs> ค่อยๆฝึกนะพอไม่ยึดกายไม่ยึดถือใจแล้วก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีก เราอาศัยสิ่งต่างๆในโลกนะแต่ไม่ยึดถือมันมีอยู่ก็อาศัยมันไปมันเสียไปก็รู้แล้วมันเป็นธรรมดานะอย่างบางคนใช่ไหมมีแฟนอยู่แฟนทิ้งไปเราตอนอยู่ด้วยกันมีความสุขก็พอแล้วนี่ก็ได้มีความสุขมาช่วงหนึ่งแล้วก็ดีแล้วดีกว่าไม่มีเลยนะถึงสมควรแล้วสมควรมันทิ้งไปแล้วนะต่อไปนี้เราจะได้ภาวนางเราสบายนะแล้วค่อยฝึกนะแล้วเราจะอยู่ด้วยตัวของเราเองได้ เราฝึกแล้วเราไม่ต้องพึ่งพา ง, ง้องอนไข่ความสุขที่ต้องพึ่งพาคนอื่นที่ต้องพึ่งพาสิ่งอื่นนั้นมันทําให้เราตกเป็นทาสของคนอื่นและสิ่งอื่นชาวพุทธแนละ้วเราจะฝึกจะเราเป็นอิสระเมื่อไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจก็ไม่ต้องไปยึดถือคนอื่นสิ่งอื่นเราไม่ต้องงอไข่เลยความรู้สึกที่มีต่อผู้อื่นสิ่งอื่นนะนเป็นความเมตตากรุณาล้วนๆเลยเาเนี่ แต่ไม่คิดจะมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเพราะฉะนั้นคนในโลกนะไม่รู้จักเมตตารู้จักแต่ราคะอย่างลูกเนี่ยเราไม่ได้เมตตาลูกธรรมดาหรอกมักจะมีราคะคือเป็นของเราเข้ามาด้วยใช่ไหมแทรกเข้ามาถ้าเมื่อไรกายนี้ใจนี้เราก็ยังไม่ยึดนะก็จะไม่ยึดอะไรในโลกแต่ว่าปฏิบัติหน้าที่ไปนะเพื่อกวนสมเคราะห์โลกไปอย่างมีหน้าที่เลี้ยงลูกก็เลี้ยงไปมีหน้าที่เลี้ยงสามีก็เลี้ยงไป ยุคนี้ผู้ชายเป็นช้างเท้าหลังเยอะนะบางคนนะเคยบอกหลวงพ่อว่าภรรยาผมเป็นช้างเท้าหลังแต่ผมเป็นหางช้าง <laughs> <laughs> น, นเานะัเราฝึกนะเราฝึกวันหนึ่งเราจะได้อิสระภาพอิสระจริงๆนะไม่ใช่อิสระพูดลอยๆนิพพานมีจริงๆนิพพานเป็นอิสระภาพจริงๆนิพพานมีความสุขจริงๆนิพพานไม่ใช่สภาวะในอุดมคติ นิพพานเป็นของจริงที่มีอยู่จริงๆแล้วก็อยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่เองเพียงแต่จิตของเราไม่มีคุณภาพพอที่จะเห็นนะงั้นถ้าเมื่อไรจิตเราไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจนะพ้นจากกายจากใจคือพ้นจากรูปนามไปเราจะเห็นนิพพานโดยอัตโนมัติอ น, นิพพานไม่เคยหายไปไหน น, นิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่แหละนึกถึงเมื่อไหรก็เห็นอยู่ตรงนี้นีงมีแต่ความสุขล้วนๆเลยไม่ใช่ความว่างแบบแห้งแล้งนะบางคนคิดว่านิพพานเป็นความว่าง น้อมใจให้ว่างซึมกระถือว่างๆอยู่นั้นนั้นไม่ใช่นิพานนะนั่นเป็นความว่างเป็นช่องว่างช่องว่างไม่ใช่นิพานเป็นองค์ธรรมกุรอตัวกันเรียกว่าอากาศานัญญาตนะช่องว่างนั้นไม่ได้น้อมใจให้ไปอยู่ในว่างๆนะให้คอยรู้กายคอยรู้ใจไปจ น, นวันหนึ่งปล่อยวางกายปล่อยวางใจเราสัมผัสนิพานมีความสุขทั้งวันมีความสุขทั้งคืนเราจะรักพระพุทธเจ้าสุดหัวใจเลย ว่าทำไมท่านเก่งจังเลยนะท่านค้นพบธรรมะที่อัศจรรย์ท่านสอนให้เรารู้ทุกจนเราไม่ยึดกายไม่ยึดใจเมื่อเราไม่ยึดกายไม่ยึดใจนะความอยากจะให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นงั้นเมื่อไร่รู้ทุกแจ่มแจ้งหรือว่ารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งว่ามันเป็นตัวทุกจริงๆนีความอยากจะดับโดยอัตโนมัติงั้นรู้ทุกเมื่อไหร่นั้นก็จะละสมุทัยเมื่อ น, นั้น นี่เป็นธรรมะที่อศัศจรรย์ที่สุดเลยนะคืออริยสัจถ้ารู้ทุกข์เมื่อไหร่นะก็จะละสมุทัยเมื่อนั้นทันทีที่สมุทัยคือความอยากไม่เกิดขึ้นอีกเพราะเราไม่ยึดกายไม่ยึดใจแล้วจะอยากทําไมจะอยากให้กายให้ใจเป็นสุขจะอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ทำไมเพราะเราไม่ยึดมนะันแล้วเมื่อความอยากไม่มีนิพพานจะอยู่ต่อหน้าต่อตาเพราะนิพพานคือวิราคะคือความท้นจากความอยากไม่มีความอยากใจก็ไม่ต้องดิ้นรนไม่ดิ้นรนเรีวยกว่าวิสังขารนี่ก็เป็นนิพพานเรียก นิผ่านว่าวิสังขารก็ได้แล้วเราฝึกนะวันหนึ่งใจเราจะเข้าถึงวิราคะใจเราไม่ไปยึดอะไรใจเราเข้าถึงวิสังขารใจเราไม่ดิ้นรนปรุงแต่งอะไรใจเรามีความสุขล้วนๆใจเราหยุดหลุดพ้นจากความยึดถือกายยึดถือใจเรียกว่าวิมุตต์ใจเราไม่ผูกพันกับสิ่งใดในโลกเรียกว่าอนารยาอนาหลายไม่อะไรย์ไม่อะไรเอาบอนนี่เป็นชื่อของนิพพานทั้งสิ้นเลย ชีวิตที่เหลืออยู่จะเป็นชีวิตที่มีแต่ความสุขและเป็นชีวิตที่สมบูรณ์อยู่ในตัวเองอ้าเทศพอสมควรเทศมากนักก็ไม่เหมาะได้ข่าวว่ามีเตรียมถามสิบแปดคนขอเชิญสิบแปดมงกุฎ <laughs> เขาะจะเล่นโขนน่ะเขาะจะเล่นโขนต้องมีสิบแปดมงกุฎเหมือนกันหลวงพ่อก็มีนาฬิกามกันกาเพิ่งให้มาอ้าว mm hmm. เชิญรู้สึกไหมจิตฟู้งซ่าน รู้สึกไม้ใจหนีปุ๊บหลงไปนะพอหลวงพ่อหยุดพูดใจของพวกเราก็ตะเเปิดเปิงหันไปหันมาเราลืมตัวเราเองเลยเห็นะรู้สึกไหมใจตอนนี้เริ่มนิ่งรู้สึกไหยใจนิ่งกว่าเมื่อกี้นี้นะรู้สึกไหมใจแอบไปคิดนะค่อยๆสังเกตนะค่อยๆดูการทำงานของเขาไปเดี๋ยวนี้พาดูทีละคนไม่ได้ลนะ้วต้องพาดูทีละทั้งชั้นเลย อาเชิญค่ะเกาดในราศกาลหลวงพ่อค่ะหนูก็ตามตามดูมาสักรยะหนึ่งนะคะปีสองปีนะคะรู้สึกว่าก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะแต่ว่าเข้าใจว่ า, าความรู้สึกตัวมันที่แท้จริงมันยังไม่ไม่เกิดสถะะทีอะค่ะทีนี้ไม่ไม่ทราบว่าคือคือที่หนูรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าบางทีเห็นสภาวะอะไรมันก็ยังไม่ได้ขาดไป ะทันนีคะือเลวลาเรารู้สภาวะนะั้นมันรู้มีสองสเต็ปอันแรกรู้สภาวะที่ปรากฏขึ้นมานะอันที่สองรู้ทันจิตซึ่งมันยินดียินร้ายต่อสภาวะนั้นเช่นสภาวะความโกรธเกิดขึ้นคุณบอกว่าคุณไปเห็นมแล้วทําไมไมันไม่ดับสติคุณไม่เห็นความไม่พอใจในความโกรธที่เกิดซ้อนขึ้นมางั้นเรารู้ทันนะเดี๋ยวเมื่อว่าติดเรามีกิเลสขึ้นมาเรารู้ทันว่าจิตมีกิเลส และจิตอยากจะให้หมดกิเลสให้รู้ที่อยากนะี้รู้ลงไปจกนกระทั่งใจสามารถรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเป็นกลางไม่ใช่รู้แล้วก็แทรกแสงด้วยความยินดีด้วยความยินร้ายถ้าสามารถรู้ทุกอย่างอย่างเป็นกลางได้นะทุกอย่างจะแสดงความจริงให้ดูเลยมันไม่ใช่เราสักอันเดียวอกุศลที่มีอยู่จะดับทันทีนะแต่ถ้าไม่ใช่อกุศลไม่จำเป็นต้องดับทันทีอย่างความสุขเนี่ยเวาภาวนานจิตใจเรามีความสุขอยู่ เราไปรู้ว่าจิตมีความสุขไม่จําเป็นต้องดับเพราะความสุขไม่ใช่กิเลสแต่ถ้าจิตเราพอใจในความสุขนั้นอันนี้เป็นราคะทันทีที่เรารู้ ke, <S <S <Wha> ทันว่าจิตพอใจในความสุขราคะจะดับทันทีเลยเฉะั้นบางอย่างหรอกที่ว่าเราไปรู้แล้วมันดับทันทีบางอย่างไม่จําเป็นต้องดับนะแค่กิเลสเท่านั้นแหละที่จะดับทันทีถ้ารู้ด้วยสติที่แท้จริงสติที่แท้จริงนั้นต้องเป็นกลางด้วย คือสิ่งที่หนูติดตอนนี้ไม่ไม่ทราบว่าคือว่ายังจงใจติดกับคองใจนะไปรักษาใจอยู่ยังจงใจที่จะปฏิบัติให้รู้แบบไม่จงใจสิรู้เล่นๆรนูท้ทีแรกมันจะต้องรู้บ้างเผลอบ้างเวลาพวกเราหันรู้สึกตัวนะหลวงพ่อฝากไว้ทั้งห้องเลยเวลาเราหันรู้สึกตัวเนี่ยไม่ใช่รู้ตลอดเวลานะเราต้องรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างเพราะจิตของเรายังอยู่ในภูมิที่มันยังเผลอได้อยูเ่เราไม่ใช่พระลรหัน อย่างของคุณที่ถามคนแรกเนี่ยรู้สึกไหมจิตเผลอไปแล้วจิตนี้ไปคิดมันลืมตัวเราเองในขณะปัจจุบันไปเนี่ยเวลาเรารู้ลงปัจจุบันก็ไปเพ่งกายเพ่งใจไว้อันนี้ก็ไม่ใช่รู้ะ ต, ตอนนี้ยังเพ่งอยู่ยังเพ่งอยู่นะนะเพ่งอยู่นิดหน่อยค่ะแล้วถ้ า, ถ, าถ้ารู้รู้ลักษณะตอนนี้ค่ะไม่ไม่ทราบว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีโมหะคลุมอยู่หรือเปล่าเพราะว่าหนูดูอย่งางตอนเนี้<ม>รู้สึกไหมมันมีความสงสัยผุดขึ้นมาเนี่ยหัดรู้ลงปัจจุบันนะ โมหะเนี่ยเป็นองค์ธรรมเป็นสภาวะธรรมที่ปิดบังไม่ให้เรารู้สภาวะตามความเป็นจริงได้เนี่ยตอนนี้ยจิตไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมและจิตที่ไปคิดก็เป็นโมหะพวกหนึ่งจิตมันฟุ้งซ่านไปเนี่ยมันไปอีกแล้วรู้สึกไหมเนี่ยหัดรู้อย่างนี้นะรู้ลงปัจจุบันไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูต้องไปทาต่อก็คือพยายามดูเล่นๆดูให้มันเล่นๆขึ้นเออดูเล่นๆนะอย่าดูจริงจังแล้วเราไม่ทราบว่าเอ ขอคุณก็ช่วยสิ่งที่จะช่วยคุณได้นะคือพยายามเคลื่อนไหวไว้กระดุกกระดิกไว้แล้วเห็นร่างกายมันทํางานไปเรื่อยๆเช่นเดินจงกลมแล้วเห็นร่างกายมันเดินจิตเป็นคนดูดูสบายๆนะกระดุกกระดิกไว้แล้วก็ดูกายมันทํางานไปด้วยแล้วจิตมันจะชัดขึ้นมาลุลุกปอกเปลือกตัวเองออกไปบ้างหรือยังคะหลวงพ่อเคยทักนาได้ได้ปอกไปได้เยอะแล้วดีชุละอรค่ะรู้สึกไหมมันโล่งมันเบากว่าสมัยก่อนสบายนะ อาเชิญครับนรัตสการครับพระอาจารย์จะรบกวนเรนถามสักครู่ว่าที่ท่านอาจารย์บอกว่าการประคองไว้กับการเพ่งไว้เนี่ยกับการมีสัมปชัญญะอย่างต่อเนื่องเนี่ยต่างกันอย่างไรครับสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญานะไม่ต้องมีต่อเนื่องหรอมีเป็นขณะขณะก็พอแล้วความรู้สึกตัวเนี่ยมันประกอบด้วยธรรมะหลายตัวมีสติแะมีปัญญามีความตั้งมั่นคือสัมมาสมาธิมีองค์ธรรมจํานวนมากเกิดร่วมกัน ไว้เดียไปเพ่งไว้ใจที่รู้สึกตัวอย่างแท้จริงนะจะมีความเบามีความนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวถ้าใจเราหนับใจเราแน่นใจเราแข็งใจเราซึมเราทื่อนะทั้งๆ ท, ท, ที่รู้อยู่เนี่ยก็ไม่ใช่ตัวจริงหรอกไม่ใช่สติที่แท้จริงเป็นการเพ่งเอาไว้บังคับเอาไว้ใช่ว่าการรู้ที่ถูกเนี่ยคือจะต้องรู้แล้วก็แหวบแล้วก็หาดหายไปแล้วก็มารู้แวบเหมือนการรู้ที่ลักขณะคําว่าปัจจุบันไม่นานหนึ่งนาทีใช่ไหม ปัจจุบันก็คือขณะต่อหน้าเรานี่เองเราก็เห็นทุกอย่างไหลผ่านมาแวบแวบแว บ, แวบอยู่ต่อหน้าแล้วทีนี้การรู้เวลายืนเดินนั่งพอทําได้อะ่ะทีนีการรู้เวลาพูดเนี่ยเราควรจะรู้แค่ว่าเราพูดถ้ารู้ที่ปากพูดเนี่ย ม, มันจะคิดว่าจะพูดไม่ได้มันพูดไม่ได้เวลาจะพูดต้องไปคิดก่อนเพราะั้นเวลาเวลาเรายุ่งกับคนอื่นต้องพูดต้องอะไรนี่นะภาวนายากตอนนี้เราไม่ต้องดู แต่ว่าพอเราพูดไปแล้วพอเราคิดไปแล้วกิเลสเกิดขึ้นมาเราก็ค่อยรู้เอาไม่ต้องรู้ทันตั้งแต่จิตคิดนะถ้ารู้ตรงที่จิตคิดพูดไม่ได้หรอกแล้วการที่เราดูสิ่งที่เกิดขึ้นในใจนะอย่างเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าอย่างมีโทสะเกิดขึ้นเราเห็นแล้วก็บางทีเราเห็นความพอใจและไม่พอใจตรงนั้นอันนั้นพอได้แต่ถ้าเกิดว่าการที่มันเกิดเป็นพวกของที่เป็นกามสุขคือเหมือนว่าร้องเพลงหรือว่าอย่างเงี้ยเรา เราไม่ทันแล้วเราหยุดมันไม่ได้แล้วก็หยุเราไม่ได้ฝึกหยุดมันเราฝึกรู้ตามที่มันเป็นรู้เท่าที่รู้ได้หัดใหม่ๆเรารู้ได้แต่ของหยาบๆนะค่อยๆสังเกตไปจิตใจเราอย่างที่แรกเราจะรู้ได้อารมณ์หยาบ mm. เช่นโกรธขึ้นมาถึงจะรู้ค่อยๆหัดดูไปเรื่อยๆต่อไปแค่ขัดใจเล็กๆก็เห็นแล้วต่อไปความพอใจเกิดขึ้นก็เห็นทีแรกต้องรักมากๆรักแบบคลุ้มคลั่งถึงจะเห็น ต่อมาใจชอบนิดๆก็เริ่มเห็นแล้วมันจะละเอียดขึ้นเองบางทีถ้าเราพูดกับตัวเองขึ้นมาที่มันเหมือนมีคนนึงพูดกับตัวเองนั้นไม่ได้บ้าใช่ไหมไม่บ้ามันพูดทั้งวันมันพูดของมันเองทั้งวันของคุณก็มีหน้าที่ดูไปแค่เห็นว่ามันพูดเท่านั้นเองแล้วอย่างผมควรจะดูกายหรือดูจิตหรือของคุณดูจิตไปคุณดูจิตได้ละเอียดอยู่และเอาเบอร์สามนมัส ก, การหลวงพ่อนะคะคือว่าหลังจากที่ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ ลองปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็เห็นความว่างเป็นเป็นจังหวะจังหวะไปอะค่ะเห็นอะไรนะเห็นแบบว่าจิตที่ไม่ได้ปร่งแต่งอะค่ะคือว่าไม่มีความคิดอะค่ะแต่การเคลื่อนไหวค่ะก่อนหน้านี้หลวงพ่อเคยบอกว่าหนูประคองไม่สามารถเป็นเยวไปอยู่ในช่องที่มันไม่คิดอะไรนี่ก็แล้วกันเห็นไม่แค่มันเกิดแล้วมันก็ดับเห็นไหมเกิดแล้วดับอย่างนี้ได้แต่ถ้าว่างแล้วก็ว่างว่างว่างตลอดไปใช้ไม่ได้ พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราดูความว่างต้องระวังนะบางคนภาวนาที่จะไปดูความว่างพระพุทธเจ้าสอนให้รู้กายเวทนาจิตธรรมไม่ได้สอนให้ดูความว่างหนูควรจะใช้อะไรเป็นวิหารธรรมคะเขาควรเป็นนักคิดโดยอาชีพอยู่แล้วน ะ, ะเป็นมืออาชีพในการคิดให้ดูจิตไปขอบคุณค่ะการนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพนะครับผมมีเคารพด้วย <laughs> อได้มีโอกาสกราบพระอาจารย์ตั้งแต่ที่กาญจนบุรีนะครับก็รู้สึกตัวมาเรื่อยๆนะครรู้สึกไหมจิตตอนนี้กับเมื่อก่อนไม่เหมือนกันครับจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วเมื่อจิตมันตื่นขึ้นมาเราก็เห็นแล้วกายไม่ใช่เราดูออกแล้วใช่ไหมนั่นแหละเห็นไหมความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่แปรปลอมเข้ามาเห็นได้อย่างโลภโกรธหลงก็เป็นของที่เดินผ่านหน้าบ้านใ่เฉยเฉยเห็นไหมจิตเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็จิตไม่ไม่มีอะไรที่คงที่สักอันเดียวเลย นหน้าที่ก็คือคอยรู้มันต่อไป ร, รู้ได้ใจที่เป็นกลางนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วครับกลับน้ำมัส ก, กันครับเบอร์สี่เนียเออะไรเบอร์ห้าอ่ากลับน้ำมัสการหลวงพ่อค่ะก็หลังจากตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นให้รู้ว่าตื่นเต้นรู้รู้รทันใจงเราว่ามันตื่นเต้นค ะ, อะเอาว่าไปก็ปฏิบัติได้สักระยะก็ยังเพ่งอยู่ค่ะอะไรนะยังเพ่งแล้วก็กดมันยังมัวเยอะเออรู้ว่าเพ่งอยู่ก็ใช้ได้แล้ว แล้วมันก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้ค่ะมันไม่เท่ากันรู้สึกไหมแต่ก่อนมันเพ่งแรงกว่านี้ตอนนี้มันเริ่มคลายออกแล้วคสังเกตไหมว่าใจเราสว่างกว่าแต่ก่อนดูออกไหมมันโล่งกว่าแต่ก่อนดูออกไหมนั่นแหละเราเพ่งน้อยลงใจเราก็เป็นอิสระมากขึ้นตามรู้มันไปตารู้เพ่งไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะไม่ใช่ตามรู้แล้วเพ่งไปเรื่อยๆนะตามรู้ว่าจิตมันไปเพ่งแล้วพยายามรู้สึกร่างกายให้มากขึ้น อย่าไปเพ่งใส่ร่างกายนะของคุณดูจิตรวดเดียวเดี๋ยวอย่าไปเพ่งใส่จิตพยายามรู้สึกที่ร่างกายบ่อยๆเห็นร่างกายพยักหน้าไหมเนี่ยพยายามรู้สึกกายไว้นะของคุณต้องดูกายหนึ่งจะเหมาะอ้าเบอร์หกค่ะท่านมาสการกะหลวงพ่อนุตตื่นเต้นอยู่ค่ะใจหนูยังสั่นๆอยู่อย่าให้มันหยุดก็แล้วกันค่ะหนูยังไม่เคยปฏิบัติค่ะหนูมาครั้งนี้ครั้งแรกอะค่ะปฏิบัติคืออะไรอ่ะ ปฏิบัติก็คือแค่เราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจเห็นกายเห็นใจทํางานนั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัตินะคะเพราะหนูอยู่บ้างก็ได้ฟังธรรมะหลวงพ่อค่ะค่ะหนูก็อยากจะปฏิบัติดูจิตแล้วอยากจะให้หลวงพ่อใจลอยแล้วรู้สึกไหมใจลอยไปแล้วใจลอยใจแสบก็รู้ไปใจหนีไปแล้วอ๋อค่ะก็คอยบอกหลวงอยากพูดแล้วเห็นไหมอยากพูดแล้วไม่เห็นเห็นมถ้าอยากขึ้นมาเราก็รู้ทันรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆ เนี่ยนีไปคิดอีกแล้วรู้สึกไห ม, อมเออ ไ, ไม่เริ่มตื่นแล้วรู้สึกไหมค่ะขอให้หลวงพ่อชี้หน้ให้หนูด้วโอชี้ต้องยาวแล้ว <laughs> ยังมาขอให้ชี้นี่แหละใจที่ตื่นขึ้นมามันเป็นอย่างเงี้ยรู้สึกไหมรู้สึกไหมมันเหมือนเราตื่นจริงๆไม่งั้นมันเหมือนเราฝันทั้งๆที่ลืมตาฝันทั้งๆที่เดินอยู่เนี่ยฝันอีกแล้วรู้สึกไหมมาอื้อเลยที่ยังคิดไม่เลิก ใจก็ยังไม่ตื่นหลับเออค่อยๆรู้สึกไปนะเวลาใจหนีไปคิดเพื่อรู้ใจหนีไปคิดเรารู้ตอนเนี้ใจหนีไปคิดแล้วเห็นไหมให้คอยรู้อย่างนี้นะค่ะครับพระพุทธอ้าวเบอร์เจ็ตื่นเต้นโอ้คนทุกคนร้อนกราบน้ำรสักการหลวงพ่อครับเอเคยได้ไปส่งกันบ้านที่สนทติธรมมครับอแล้วหลวงพ่อบอกว่ายังเพ่งอยู่แล้วให้ไปดูกายผมก็ไปดู ก็คลายไปลงบ้างครับอืมแต่ว่าช่วงนี้ก็จะช่วงตื่นเนี่ยจะเป็นสักชั่วโมงแรกเนี่ยจะชอบไปเพ่งลมหายใจแล้วก็ยังเป็นอยู่อืมแต่มันก็จะคลายลงในเมื่อเมื่อมันเผลอไปหรือมันอะไรอ<ช>ย้ครับนะงั้นคนที่ติดเพ่งนะหัดเผลอซะบ้างอาพูดจริงๆนะไม่ได้ทําให้หัวเราอเล่นหรอกเวลาพูดธรรมะนะธรรมะของจริงบางทีฟังแล้วตลกเคยมีนักพระองค์หนึ่งท่านเพ่งมากเลยเพ่งจนเครียดเส้นเลือดสมองจะแตกละ หลวพ่อก็ชวนท่านคุยให้ท่านเผลอๆไปขนาดใดเผลอขนาดนั้นจะเลิกเพ่งงั้นหัดเผลอซะบ้างนะเผลอเรารู้สึกเผลอเล้รู้สึกได้คะแนนไปเรื่อยๆถ้าเพ่งไปตลอดเวลาไม่ได้คะแนนอย่าตอนเนี้หลงไปแล้วรู้สึกไหมรู้สึกไหมไปกดจิตให้นิ่งรู้สึกไหมนี่ไปกดมันปล่อยไปปล่อยมันเอาเลยกดใหญ่คือเหมือนกับทำให้มันสบายครับแต่กว่าอย่าไปจงใจทํา ให้รู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องจงใจนะให้รู้อย่างที่เขาเป็นอ่ะไปเบอร์แปดขอบคุณครับกาลนักสการ์หลวงพ่อค่ะเออก็ตื่นเต้นเห็นไหมความคิดเราหายไปค่ะเห็นไหมมันหายไปได้เอง <id> อเห็นไหมเห็นไหมความคิดมันผุดขึ้นมาแล้วค่ะเนี่ยคอยรู้ทันมันอย่างเนี้ยนะค่ะเอาว่าไป คือพอสภาวะมันเกิดขึ้นอยู่ อ, อันหนึนที่มันทำแล้วยังยั ง, ยงติดอยู่ก็คือเวลาไม่พอใจและเขื่อนใช่ไหมคะ ม, มันก็ยังอยู่ยาวนานแล้วก็พยายามจะไปกดนั่นแหละไม่เป็นกลางที่หลวงพ่อพบอกว่ามันมีสองสเต็ปนะสเต็ปที่หนึ่งรู้เช่นรู้ว่าโกรธรู้ว่าเขื่อนสเต็ปที่สองจิตเราไม่เป็นกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลาง จิตเไม่เป็นกลางแล้วเราไม่ชอบเราอยากให้หายนึกออกไหมค่ะก็ให้ให้รู้ทันตรงที่อยากให้หายอะต้องยอมรับยอมรับถ้าเมื่อไร่สภาวะทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าตาตาเรานะเกิดขึ้นมาเราก็แค่รู้รู้แล้วไม่ปฏิเสธหรือหลงเพลิดเพลินตามมันไปนึกว่ารู้อย่างเป็นกลางแค่นั้นใช้ได้แล้วแต่มันมันยังอยู่ยาวนานเห็นไหมไม่ชอบออถ้าชอบก็รู้สึกมันสั้นไป อย่างเวลา ม, มีความสุขสังเกตไหมความสุขสั้นเกินไปเสมอความทุกข์นานเกินไปเสมอเพราะอะไรเพราะอยากให้ความสุขอยู่นานๆก็เลยรู้สึกสั้นความทุกข์นะอยากให้มันสั้นที่สุดเลยก็รู้สึกว่ามันนานนั่นแหละเพราะใจไม่เป็นกลางแต่เพราะว่าระหว่างไม่พอใจก็คือมันอยู่ต่อหน้าเพื่อนหรืออยู่ต่อหน้าคนอื่นนะคะมันเลยเหมือนว่าต้องพยายามกดอารมณ์เพื่อจะไม่อย่าไปกดอารมณ์นะแต่สำรวมกายและวาจา ทางใจเนี่ยไม่มีใครเข้ามารู้ของเราหรอกใจมันโกรธเราก็รู้ว่ามันโกรธไปสีหน้ามันก็จะออกอะค่ะออกแล้วก็ต้องรับกรรมไป <c oughs> เราผิด น, นะเรามันออกทางกายทางวาจาแล้วนะคุกคามเขาแล้วอะไรเงี้ยคือหมอยายถึงว่าไม่พูดแต่ว่าสีหน้ามันออกอนั่นแหละสีหน้ามันออกเพราะใจเราโกรธเราค่อยๆฝึกที่ใจเราเนี่ยคอยรู้ทันความโกรธในใจนะกลไปความโกรธในใจจะค่อยๆหายไป ความโกรธที่รุนแรงยังไม่ค่อยมีนะ<อ>เราจะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่คนรอบๆตัวเรารู้สึกได้แปลว่าเมื่อยอมรับแล้วแล้วเราก็ไม่ต้องดูตามแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องไปตามไม่ดูตามก็คือยอมรับว่าเออโกรธนะเออยอมรับว่าโกรธ แ, แล้วก็ไปแล้วก็ไม่ต้องไปดูไม่ดูไม่ดูต่อทําไมล่ะเราก็ดูไปสี่เห็นว่าจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธนะเราเป็นแค่คนดู ใค่อยๆดูที่ความโกรธของเราอย่าไปดูคนที่ทําให้เราโกรธทําไมมันออกมาทางสีหน้าออกมาทางวาจาออกมาทางมือทางเท้าได้ทางปากได้เพราะเราไม่ได้ดูจิตเราเราไปดูคนที่ทําให้เราโกรธต่างหากนั่นต่อไปนี้ใจเราโกรธนะให้รู้ทันความโกรธที่ฝุดขึ้นในใจเนี้ความโกรธมันจะสลายตัวไปเองหน้าตาเราจะยิ้มย่องผ่องใสอยู่อย่างนั้นแหละใค่ฝึกนะต่อไปเราจะสวยกว่านี้ใครเข้าใกล้เราเขาก็จะมีความสุข เมืองที่มันก็คิดต่อค่ะว่าจะต้องทํำยังไงให้รู้ทันว่าคิดต่อเห็นไหมใจไม่เป็นกลางอยากให้อยากให้ดีรู้สึกไหมเรามีความรู้สึกว่าดูสภาวะถูกหรือเปล่าคือเหมือนว่าจริงๆแล้วมันจะโกรธหรือไม่พอใจหรือว่าไปจ้องมันก็คือการว่ามันมันคิดแบบสามสเต็ปรวมกันเลยคือคิดต่อกี่สเต็ปก็ตามก็รู้ลงปัจจุบันไปนะจะกี่ร้อยสเต็ปก็ไม่เป็นไรนะเกิดสงสัยขึ้นมาว่าที่ดูอยู่นี้ดูถูกหรือเปล่ารู้ว่ากําลังสงสัยอยู่ นะรู้โลกปัจจุบันอย่างนี้ไม่ต้องไปค้นคว้าอดีตแล้วรู้โลกปัจจุบันไปเลย อ, อ้างเบอร์เก้าเบอร์เก้าคุณคะกระดาบนาัสการค่ ะ, ค ะ, คะได้มีโอกาสได้สงการบ้านกับหลวงพ่อเมื่อเร็วๆนี้เองที่ศาลาลงชินนะคะกวนี้ก็มูว่าจิตเราไม่เหมือนเดิมค่ะดีขึ้นเยอะ รู้สึกนะเนี่ยจิตที่มันตื่นแล้วเป็นอย่างนี้มีความสุขรู้สึกไหมรู้สึกเจ้าค่ะคนรอบๆตัวเราก็รู้สึกไหมก็บางคนก็รู้สึกบางคนก็ไม่รู้สึกโดยเฉพาะลูกน้องเพราะว่าเขาก็คงต้องการสิ่งที่เขาคาดหวังไว้อ๋อเนะนี่หนูก็คิดว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขค า, าดหรอกเราเป็นอย่างที่เราเป็นเจ้าค่ะก็รู้สึกมีความสุข ข, ขึ้น<ม>แต่ว่าในช่วงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาลูกก็พยายามที่จะทำในสิ่งที่ท่านได้แนะนํา แต่ก็ยังมีข้อสงสัยอยู่นิดนึงว่าพอเพิ่ว่าตัวเองก็หนึ่งสอนอาตสารือยะไรอย่างนี้ใช่ไหะก็ต้องตเตรียมการสอนเหลืออะไรนะคะก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะทําให้ถูกใจหรือว่าพยายามจะพีเศ์ออกมาให้กับคนอื่นรอบข้างรู้เนี่ยแต่บางครั้งก็คือแปลเจตนาผิดซึ่งทาให้เราซ่องหมองจริงๆก็เลยคิดว่า เราควรจะถอยออกมาไม่ทําดีเรารู้ทันก่อนนะก็จะถอยหรือไม่ถอยนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ปัจจุบันกําลังเศ้ามองให้รู้ว่าเศร้าหมองอยู่ก็เดี๋ยวนี้ก็ปัจจุบันไปค่ะดูปัจจุบันแล้วต่อด้วยทุกวันนี้ก็จะสวดมนต์แล้วก็ไหว้พระหรือว่าทำแบบสมถะเวลาสองรอบซึ่งซึ่งจริงๆแล้วก็คิดว่าจะต้องเป็นกําลังเพื่อจะทําต่อด้วยการวิปัสสนาเพรว่าสิ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําไม่ได้ได้เรื่อยๆคู่กันไปตลอดได้ต้องทคู่กันไปนะ ขอบคุณมาเจ้ค่ะเอาให้เบอร์สิบแปดก่อนโลกนี้ไม่เที่ยงอย่างนี้แหละโทรศักการหลวงพ่อค่ะรู้สึกตกใจหลวงพ่ออยากสงสาร <c oughs> เหนียวปวใจจะวายซะก่อนเอาว่าไปค่ะก็มีโอกาสได้ เริ่มฝึกดูจิตไม่นานวันนี้นะคะประมาณสามเดือนแล้วก็ทำไมเดินดูจิตไม่ได้เลยต้องนั่งแล้วก็เริ่มเริ่มสวดมนต์แล้วก็หัดเดินจงกรมตอนไล่ยังเดินไม่เป็นก็มีโอกาสเดินไม่เป็น เดินจงกรมแล้วรู้สึกไม่เมตนะาลายรับมีโอกาสได้ไปที่บ้านนารีมีพี่คนนึ่งเขาสอนเดินจงกรมแล้วก็กลับมาเดินเริ่มรู้สึกว่าจริงๆนะถ้าพ่อแม่เราสอนเราเดินมาท่าไหนเราก็เดินท่านั้นแหละเดินด้วยความรู้สึกตัวนะทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวเรียกว่าเดินจงกรมทั้งหมดเลยนะตอนรู้สึกตื่นเต้นนะอย่างเดินกลับไปกลับมานะแล้วก็ไปเพ่งตัวเองไว้แข็งๆนะไม่เรียกว่าเดินจงกรมหรอกเรียกว่าเดินทรมานตัวเอง หรือเดินไปเดินมาแล้วใจลอยเขาเรียกเดินฟุ้งซ่านเดินเลื่อเปื่อยไม่ใช่เรียกเดินจงกลมเราจะเดินไปช้อปปิ้งนะลงจากรถเดินจากที่จอดรถไปขึ้นศูนย์การค้าเราเห็นร่างกายเป็นเดินไปเรื่อยๆใจเราเป็นคนดูนี่แหละเรียกว่าเดินจงกลมงั้จะดูแค่เปลือกนะต้องดูคุณภาพของมันด้วยแล้วไงแล้วก็พอเริ่มสวดมนต์หลังๆส่วนมนต์แล้วรู้สึกว่ามีอาการ ปีติขึ้นมาบ้างแล้วก็ระหว่างนั้นโดยเฉพาะบทสวดอิติปิโสค่ะหนูจะรู้สึกว่าใจมันเย็นมันเหมือนมีน้ำมารดให้ดูลงไปนะใจมันชอบด้วยตรงชอบนั่นเป็นโลภะที่เกิดก็ตามรู้ว่าบางทีก็มีความรู้สึกชอบอยากให้มีสภาวะนะเกิดขึ้นหรือบางทีมันระหว่างสวดมนต์อยู่มันแวะไปคิดก็รู้หลงลหลงลหลงลหลงขนาดนี้แหละรู้สึกไหมค่ะรู้สึกไว ค่ะอยากจะถามว่าหลวงพ่อเขาอย่างจริตหนู่นี้ดูจิตหรือดูกายเป็หนหลักดูอะไรก็ได้เห็นอะไรดูอันนั้นแหละนะมันไม่ใช่จริตที่แบบชัดเจนแต่ละคนส่วนใหญ่ในจริตมันผสมผสานเพราะฉะนั้นกายชัดก็รู้กายไปจิตชัดก็รู้จิตไปนะของคุณมันมันดูได้ทั้งคู่แหละค่ะ แล้วบางครั้งแล้วรู้สึกไหมนะใจลอยรู้สึกว่าใจลอยค่ะแล้วนึกนึกไม่ออกก็จะทำอะไรนึกไม่ออกก็ช่างมันนึกไม่ออกก็รู้ว่านึกไม่ออกค่ะหลวงพ่อคะตอนนี้จิตเริ่มจะตั้งมั่นได้บ้างหรือยังคะก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะแล้วพอจะรูตื่นอย่าไปกดตัวเองไว้ค่ะรู้ตื่นบ้างไหมค่ะ ก้าถามเราก็กล้าตอบนะยังยังเนาะการถามสุดท้ายนะคะเดี๋ยวพอดีเรบกวนขอความเมตตาทำไมมันไม่ตื่นเต็มที่รู้ไหมเรายังบังคับตัวเองอยู่รู้สึกไหมเราบังคับตัวเองบังคับมากไปตั้งใจมากตั้งใจมากไปอย่าตั้งใจมาก ความตั้งใจฟังแล้วดูโก้ดีดูว่าเป็นความดีที่แท้มันโลภะมันอยากให้เรารู้ทันว่าใจเราอยากอยากจะดีอะไรเงี้ยรู้ทันลงไปเลยค่ะพอดีมีโอกาสจะได้ไปปฏิบัติธรรมที่ผาซ่อนแก้วเดือนหน้าขอความเมตตาหลวงพ่อทำปฏิบัติได้ยังไงที่ผาซ่อนแก้วหลวงพ่อทำไม่เป็นหรอกหลวงพ่อปฏิบัติที่กายที่ใจเนี้ยไม่ได้ปฏิบัติที่ภูเขาหรอก แต่ถ้าร่างกายเราไปอยู่ที่ผาซ่อนแก้วเห็นมันสวยรู้ว่าสวยนี่ะนะถูกมแมลงมากัดตัวผู้พองขึ้นมาใจกังวลรู้ว่ากังวลนี่คอยดูใจของเราไปเรื่อยๆค่ะเบอสิบเจ็ดรสิบเจ็ดดีใจเบอร์สิบเจ็ดกับนามัสการครับคือผมอยากถามฉลิตของผมนะครับในการทำสมถะ กับในการทําวิปัสสนานะครับควรใช้ธรรมะของคุณมันไม่ลงง่ายหรอกจิตของคุณมันช่างคิดมากนะเพราะงั้นคุณใช้ปัญญานําสมาธิจริตนิสัยคุณนะต้องดูดูจิตไปเลยคุณดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตนะจิตมันทํางานได้ทั้งวันทั้งคืนดูออกไหมดูมันไปเรื่อยๆเนืยวใจมันจะตั้งมั่นสงบขึ้นเองเวลาดูอย่ากระโจนลงไปดูนะดูห่างๆอย่ากระโดดลงไปดูเวลาของคุณดูนี้ยังกระโดดลงไปดูอยู่ นึกออกไหมกออกมันถลําไปดูดูห่างๆอย่าถลําลงไปนี่เนี่ยถลําอย่างเนี้ยขณะเนี้ยจิตถลําลงไปเนี่ยลงไปอีกแล้วรู้สึกไหมอย่างนี้ไม่เอาะอถ้าจิตถลําให้รู้ว่าจิตถลําลงไปให้รู้ทันจิตตัวเองโดยคือถ้าเกิดทําให้มันตั้งมั่นมานี่ไม่อย่าไปทำไํำมันตั้งของมันเองต้องดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆดูดูความไม่ตั้งมั่นไปถ้าให้เราเห็นจิตไม่ตั้งมั่นนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะ นะเรียกว่าคณิกาสมาธิตั้งชั่วขณะเท่านั้นไม่ตั้งนานเนี่ยจิตไหลไปคิดแล้วรู้สึกไหมถ้าเรารู้ว่าจิตไหลไปคิดจิตก็จะตั้งขึ้นมาแบ๊บหนึ่งอ่ะไปคนต่อไปการน้มัสการกับคุณเจ้าใช่่ะโอูเรียกเราะฝ <laughs> ั่งลาวเทคือยมตามดูอยู่ก็ไม่มีข้อสงสัยอยากให้พวกคุณเจ้าวิจารณ์ด้จ่ะอย่าไปกดมันไว้นะ ไอ้ที่ว่าดูดูยังจงใจดูยังกําหนดอยู่ยังจงใจอ่ะให้รู้เล่นเล่นรู้สบายสบายเนี่ยตอนนี้จิตไปคิดแล้วทราบไหมจิตไหลไปคิดเราก็รู้ว่าไหลไปคิดนะจิตวิ่งมาที่หลวงพ่อก็รู้ว่าวิ่งมาที่หลวงพ่อใช่ค่ะเนี่ยจิตไปทําอะไรเราก็แค่รู้ทันไม่ต้องรู้ตลอดเวลานะถ้ารู้ตลอดเวลาอยากจะรู้ตลอดเวลาจะกลายเป็นการเพ่งแล้เรารู้ตามที่รู้ได้ ทีแรกนานๆจะรู้ทีหนึ่งค่อยฝึกไปต่อไปมันจะรู้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่างนี้จิตหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมทราบเค่ะเนี่ยจิตหนีไปคิดแล้วก็ค่อยรู้หนีไปคิดแล้วก็รู้ฝึก อ, อย่างนี้นะต่อไปสุติจะเร็วมากเลยเจ้ค่ะเอาไปเบอร์สิบแปดนรัสกาคุปนจันเน เ, เบอร์อะไรล่ะเอาเบอร์สิบเบอร์สิบเบอร์สิบเขากลุ้มใจอย่าแย่แล้วแคบจะลุกขึ้นประท้วงแล้วกล่าวนรัสกาหลวงพ่อค่ะ คือโยมไม่แน่ใจว่าตัวเองนี่เป็นการสร้างความรู้สึกตัวหรือเปล่าคะหลวงพ่อเจ้อใจนิดหน่อยอยังประคองความรู้สึกตัวอยู่อย่าไปรักษามันค่ะคกลางเกือบสิบเอ็นรนรศการหลวงพ่อค่ะออฟังซีดีหลวงพ่อมาเกือบสองปีแล้วค่ะไม่ทราบว่าดูจิตถูกรึเปล่าเพราะว่าคิดว่าตัวเองติดเพ่งแล้วก็ออไม่เป็นกลางอะค่ะเริ่มดูเป็นแล้ว ถ้าเราเพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางเนี่แหละเรียกว่ารู้ได้ตรงความจริงแล้วะแต่ว่าก็ยังเหมือนจะติดสุขอะค่ะคือเราชอบในสิ่งที่ติดมีความสุขไม่เป็นไรความสุขไม่ใช่กิเลสแต่ถ้าเราชอบในความสุขอนะเป็นโลภะให้เรารู้ว่าใจมันชอบอแล้วก็ยังไม่เคยเ อ, อปฏิบัติในรูปแบบอะค่ะต้องปฏิบัติในรูปแบบไหมคะเพราะรู้สึกว่าจิตใ จ, จบางทีมันง่ายๆ น, ายนะนไปหัดไหว้พระสวดมนต์อะ 阿拉หังซ้ำมาอะไรเงี้ย น, นะสวดมนต์ไปแล้วสังเกตจิตไป阿拉หังซ้ำมาจิตนี้ไปคิดและรู้ว่าจิตหนีไปคิดซ้ำพุโทโธพักวาจิตหนีไปคิดอีกแล้วรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดฝึกจนกระทั่งจิตมันหนีไปคิดเมื่อไหร่ก็รู้เมื่อนั้นอนะเวที่เมื่อกี้หลวงพ่อแนะนําพี่เขาเขาว่า เ, เรากระโจนลงไปไปไปคลุกกระจิตนะคะหรือเปเหมือนกับการปรุงแต่งจิตไหมคะไม่เหมือนหรอก เกิดโจรลงไปเนี่ยเกิดจากอยากจะดูให้ชัดๆอยากจะดูให้ชัดเลยกระโดดลงไปไปจ้องใส่มันจิตเลยไปเคลื่อนไปเกาะอยู่ตรงที่เราไปจ้องแล้วก็ไปแช่อยู่ตรงนั้นนะเพราะบางทีคิดว่าตัวเองติดเหมือนบัญญัต่ะค่ะเพราะว่าฟังฟังซีดีหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าเวลาเราเรารู้เนี่ยจิตจะตื่นแล้วก็จะจ ะ, จะเหมือนเบิกบานอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะต้องคิดว่าจะต้องรู้ให้บัญญัติให้ได้ว่าสิ่งที่คิดนี่คืออะไรให้รู้ว่าอยากรู้นะา รู้เท่าที่มันมีไม่ต้องไปรู้อย่างีที่มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้ารู้วนนั้นไปนะเอาเบอร์สิบสองการมัสการหลวงพ่อพครับอตอนนี้แต่ละวันนี่จะรู้สึกว่ามีสติรู้ตัวได้บ่อยครั้งขึ้น น, นะครับแล้วก็ จะเห็นกิเลสได้บ่อยขึ้นแต่ละครั้งที่เห็นเนี่ยจะเห็นเป็น2ตัวเสมอคือกิเลสแล้วก็ความมีดีกินร้ายต่อเนื่องเกิดดับกันเหมือนนรกขึ้นเนี่ยนะครับริศสมควรเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติตอนนี้เนี่ยถูกต้องแล้วหรือไม่อย่างไรครับปฏิบัตินะถูกแล้วนะแต่บอกหลวงพ่อสิจิตขณะนี้เป็นยังไงเต้นเต้นครับกดเอาไว้ดูออกไหมใช่ครับใช้ได้แล้วสับถ่านขอบพระคุณครับดูเป็นแล้วนี่ดูเป็นแล้วไปดูเรื่อยๆ เห็นไหมมันเป็นสองสเต็ปที่หลวงพ่อบอกอ่ะทีแรกเห็นสภาวะนะแล้วมันก็ยินดียินร้ายขึ้นมาเราก็รู้ทันมันพระมาการหลวงพ่อคะ่ะเมื่อสามเดือนที่ผ่านมาเพิ่งไปฝึกดูพองยุบนะคะ<ม>แล้วก็เดือนนี้เพิ่งรึกดูจิตอยากให้หลวงพ่อช่วยคำแนะนำค่ะแล้วเดือนต่อไปจะดูอะไรคื อ, อการปฏิบัติเนี่ยนะอย่าไปติดที่รูปแบบ จะดูฟองยุบจะพุทโธจะรู้ลมหายใจจะรู้อิทิยาบทสี่จะขยับมือทำจังหวะอะไรนี้ก็เหมือนกันหมดอะความต่างของรูปแบบไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกใครถนัดรูปแบบอะไรก็ใช้รูปแบบอันนั้นเพียงแต่ต้องมีสติที่แท้จริงต้องมีสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตอย่างแท้จริงเนื้อหาสาระของการปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่เปลือกหรือรูปแบบนะแต่อยู่ที่คุณภาพที่จิตไปรู้ เราต้องฝึกจนสติที่แท้จริงเกิดขึ้นสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นหัดดูสภาวะไปเรื่อ ย, อยเช่นร่างกายมันพองก็รู้ร่างกายมันยุบก็รู้เป็นแค่คนดูของคุณไม่ได้เป็นแค่คนดูคุณลงไปเพ่งเหมือนด้วยไปเพ่งจนกระทั้งมันนิ่งกว่าความเป็นจริงถ้าเมื่อไหร่เราภาวนาแล้วจิตของเรานิ่งกว่าความเป็นจริงนิ่งกว่าปกติแสดงว่าผิดละแสดงว่าเพ่งไปละ เพราะฉั้นเราอย่าไปกดจิตให้นิ่งนะปล่อยจิตให้ทํางานแล้วเราก็ตามดูความเปลี่ยนแปลงไปหรือเห็นร่างกายมันพองเห็นร่างกายมันยุบใจเราเป็นแค่คนดูอย่าให้ลงไปเพ่งอยู่ที่ท้องเอาคุณอย่างไปเพ่งอยู่ที่ท้องอยู่นะงั้นรู้เล่นๆดูอยู่ห่างๆเห็นร่างกายพองร่างกายยุบอย่างนี้ก็ได้เห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเราเป็นแค่คนดูอยู่อย่างนี้ใช้ได้ทั้งนั้นเลยรูปแบบไม่สําคัญดอกสําคัญที่คุณภาพในการรู้ แล้วเราเรียนให้ได้คุณภาพนะเรียกว่าได้เนื้อในของมันเปลือกเนี่ยไปเลือกเอาตามถนัดคนไหนถนัดกรรมฐานอะไรก็ใช้กรรมฐานานั้นๆแต่ต้องทำให้ถูกนะถ้าทำผิดก็ผิดเหมือนกันถ้าทำถูกก็ถูกเหมือนกันหลวงพายกตัวอย่างนะอย่างรู้ลมหายใจบางคนรู้ลมหายใจนะรู้ลมหายใจได้นิดเดียวก็เผลอไม่คิดอะไรต่ออะไรเลยนี่อย่างที่หนึ่งรู้แล้วหลงไปเลยพวกที่สองพอไปรู้ลมหายใจนะจิต ไปจ่ออยู่ที่ลมหายใจจิตเคลื่อนไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจอันนี้เป็นสมถะนะไปเพ่งลมพวกที่สามเนี่ยเวลาหายใจอยู่เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูพวกนี้กําลังจเจริญปัญญานะโดยการรู้กายว่าเห็นกายนี้มันไม่ใช่เราหรอกกายมันกําลังทํางานของมันเองร่างกายมันหายใจของมันเองเราเป็นคนดูพวกที่สี่รู้ลมหายใจอยู่นะแล้วจิตแอบไปคิดก็รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดจิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้ว่าจิตไปเพ่ง จิตเป็นสุขจิตเป็นทุกข์จิตมีปีติมีสุขมีอะไรขึ้นมาก็รู้ทันจิตพวกนี้ดูจิตอยู่แม้แค่รู้ลมหายใจนะก็ทําได้สี่แบบแบบที่หนึ่งคือหลงไปเลยแบบที่สองเพ่งเอาไว้แบบที่สามรู้กายแบบที่สี่รู้จิตเวลาเราดูท้องพองยุบก็ทําได้สี่แบบเหมือนกันดูท้องพองยุบแล้วหนีคิดเรื่องอื่นเลยนะก็หลงไปนี่แบบที่หนึ่งไม่ได้เรื่องเลยไม่มีทั้งสมถะและวิปัสสนาแบบที่สองจิตจอ่ออยู่ที่ท้องเพ่งอยู่ที่ท้องเป็นสมถะ แบบที่สามเห็นร่างกายมันพองเห็นร่างกายมันยุบใจเราเป็นคนดูอยู่ห่างๆดูอย่างสบายๆนี่เจริญปัญญาเห็นกายมันทํางานอยู่แบบที่สี่เห็นท้องพองยุบนะจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งใส่ท้องก็รู้จิตไปทําอะไรก็รู้นี่กําลังดูจิตอยู่ทําวิปัสนาดูจิตอยู่ทําได้สี่แบบขยับมืออย่างหลวงพ่อเตียนก็เหมือนกันนะขยับไปแล้วใจลอยหนีไปเลยนี่หลงไปไม่มีสมัมผัสไม่มีวิปัสนาเพวกหนึ่งขยับแล้วก็เพ่งใส่มือไว้ เพ่งใส่มือไว้นี่ได้แต่สมถะอีกพวกหนึ่งขยับไปนะเห็นรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูร่างกายไม่ใช่ตัวเรานี่เตือนวิปัสสนานะดูการรู้กายอีกทีหนึ่งขยับดูจิตนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งใส่มือก็รู้จิตเป็นยังไงก็รู้นั่นทำวิปัสสนาดูจิตอยู่งั้นกรรมาฐานแต่ละอันต่ละอันเนี่ยแยกออกไปได้สี่แบบนะแบบหนึ่งหลงไปเลยแบบที่สองไปเพ่งเอาไว้แบบที่สามรู้กายแบบที่สี่รู้จิต ไปดูเอานะค่อยๆดูเอาเวลาที่เราปฏิบัติส่วนใหญ่ไปเพ่งถ้าไม่เผลอก็เพ่งมีอยู่เท่านั้นเองไม่ค่อยยอมรู้หรอกไปฝึกเอาอ่าต่อไปกับนมาส ก, การพระอาจารย์ค่ะคือปกติแล้วจะเผลอล้าก็บางทีไม่ค่อยรู้ตัวค่ะ ถ, ถ้าเผลอก็ไม่รู้ตัวถูกแล้วจะเผลอนานแล้วก็บางทีเผลอเรวก็คิดไปแบบเรื่องที่ ความผิดพลาดหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะทําให้กังวลต่อแล้วก็กังวลเกิดขึ้นรู้ลงปัจจุบันไปเลยจิตนี้ไปคิดเราห้ามไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาจิตจะคิดห้ามมันไม่ได้คิดไปตั้งนานแล้วสติก็ไม่เกิดก็สั่งให้สติเกิดไม่ได้เพราะสติก็เป็นอนัตตาแต่ว่าพอมันคิดไปแล้วจิตกังวลขึ้นมารู้ว่าจิตกังวลแค่นั้นก็ยังดีได้คะแนนตอนนี้แหละรเราที่เป็นอยู่อะคะ่ะเป็นยังไงบ้างอะไรนะที่ที่เป็นอยู่เป็นยังไงบ้างคะ่ะยังกดอยู่นะยังกดอยู่รู้เล่นๆไป รู้สบายๆรู้ไปแล้วเวลาภาวนาใจยังไม่ค่อยตั้งมั่นนะเราก็รู้ว่าใจเราไม่ตั้งมั่นดูออกไหมใจมันกระจายออกไปข้างนอกนะจิตมันกระจายกว้างๆออกไปเราก็รู้ว่าจิตมันกระจายไปรู้อย่างที่เขาเป็นนะมีอีกไหมไม่มีค่ะไม่ใช่คนอื่นอะมีอีกไหมกรับนมัสการท่านอาจารย์ค่ะเป็นครั้งแรกที่มาฟังท่านอาจารย์รู้เรื่องไหมก็ รู้อย่างหนึ่งว่าได้ทําบ้างแต่ว่าไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ค่อยจะเห็นไม่ค่อยจะเห็นอะไรชัดเจนของโยมนะรู้ร่างกายไปเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะใจเราเป็นคนดูไปเรื่อยๆ เ, เหมือนเราเห็นคนอื่นกําลังเดินคือคนอื่นกําลังนั่งะดูกายบ่อยๆเดี๋ยวจะเห็นจิตชัดขึ้นทีหลังแล้วตอนตอนที่นั่งสมาธิเนี่ยอรู้สึกว่าจะเป็นแบบแบบที่สองที่ท่านอาจารย์พูดใช่ คนทำสมาธิส่วนมากคือเป็นมิจฉาสมาธิเกือบทั้งหมดเลยไปเพ่งเอาไว้เพ่งบังคับจิตให้นิ่งก็นะดีเหมือนกันนะดีกว่าฟุา้งซ่านแล้วแล้ ว, ล ว, ล ว, ลวเราจะถอยออกมาจากตรงนั้นยังไงเราก็อย่าไปทําสิเราเดินให้เยอะๆนะแทนที่เราจะไปนั่งแล้วก็จิตรวมไปนิ่งจ่อนิ่งนิ่งเดินเดินอยู่งันนะเปลี่ยนเป็นเดินเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเดินสบายๆเดินแล้วเห็นร่างกายมันเดิน หรือทางานบ้านก็ได้นะทํางานบ้านกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าอะไรนี่เห็นร่างกายมันทํางานไปเรื่อยๆก่อนลงข้อมานี่สักอาทิตย์สองอาทิตยนะ์แล้วมีพระมามาจากเชียงใหม่มาจากวัดอุโมง์มาทั้งทีมหนึ่งเลยจากวัดอุโมงคภาวนาดีๆขึ้นมาหลายองค์มี อ, องค์นะที่ดีกว่าเพื่อนเลยวิธีภาวนาของท่านนะั่นคือกวาดวัดเนี่ยท่านไม่ได้ไปนั่งทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้นะเพราะท่านยังไม่พิการท่านยังเดินได้อยู่ ท่านอาชีพหลักของท่านคือกวาดวัดกวาดใบไม้อะท่านเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆใจของท่านเป็นคนดูเห็นร่างกายมันกวาดวัดนะใจเป็นคนดูกวาดไปกวาดมาชักเหนื่อยแล้วชักหงุดหงิดชักร้อนแล้วหงุดหงิดเลยเนะี่ยท่านรู้ถันใจที่หงุดหงิดไหมร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกจิตใจมีความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาก็รู้สึกฝึกง่ายๆอย่างเนี้ยแล้วดีขอขอบพระคุณเหลือเวลานิดหน่อยมีแถมปะยกช้ากว่าเขานะ ทางน้อยก็ยกเร็วกว่ามีสองคนกลับในวัฒการหลวงพ่อค่กันหนึ่งนะโยมซีกนี้รู้สึกไหมใจเราลอยมาฟากนี้รู้สึกไหมส่วนใหญ่นะใจใมันอยู่ตรงนี้ให้เรารู้ทันนะแต่บางคนหนีออกนอกธรรมศาสตร์ไปแล้ว <c oughs> อ้าวว่าไปคะ่ะมีคำถามจะถามหลวงพ่อค่ะว่าการภราวนาก็คือการตามรู้ตาตามรู้กายและกะใจในปัจจุบันใช่ไหมคะใช่ ม, มันมีความต่างกันนิดนะเวลารู้กายเนี่ยจะรู้ลงปัจจุบันเป h, เน๊ะๆเลยเช่นกําลังเคลื่อนไหวเนี่ยเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใชจเป็นคนดูรู้ลงปัจจุบันแต่ดูจิตจะเป็นการตามดูเช่นจิตมันเผลอไปคิดมันเผลอก่อนแล้วรู้ว่ามันเผลอมันโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่ามันโกรธแต่ต้องทันทีนะไม่ใช่เมื่อวานโกรธวันนี้รู้อย่างนี้ใช้ไม่ได้ค่ะแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่ากดเอาไว้รู้สึกไห้โกดจะแย่ละ ตื่นเต้นด้วยค่ะตื่นเต้นแล้วไปกดไว้นะครับไป ข, ข, ข, ข, ข้างหลังคนข้างหลังนายใช้ได้แล้วไม่ต้องถามแร้วที่ภาวนาอยู่น่ะดีแล้วละ่ะทาให้ถามก็ได้นิดนึงค่ะคือจะสังเกตได้ยังไงคะว่าที่ตอนเนี้ยมันเป็นปัญหาหรือมันเป็นฉันทะสงสัยรู้ว่าสงสยัยไม่มีปัญหาเลยรู้รงปัจจุบันไปเลยต่างกันแค่ชื่ อ, อจะเป็นกูศนหรืออากูสนเกิดแล้วก็ดับเท่ากันไม่ใช่ตัวเราเท่าๆกัน แล้วเราไม่ได้ฝึกเอาอะไรหรอกฝึกให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับทั้งสิ้นฝึกแค่นั้นเองไม่ต้องไปวิเคราะห์หรอกนะว่าตอนนี้เป็นตันหาหรือชันทัแค่เห็นสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปเห็นเท่านี้พอแล้วมันเป็นความเท่าเทียมกันอยู่แล้วมันเท่าเทียมกันอยู่แล้วเราต่างหากไปให้ค่ามันที่ไม่เท่ากันว่าทุกสิ่งนะจะเป็นกุศลหรืออกุศลจะเกิดแล้วก็ดับสอนไตรลักษณ์เท่าๆกันแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้ยุให้ทาําอกุศลนะ ถ้าเรามีสติอยู่ทำอกุศลไม่ได้อ่อแล้วมัง่งหรือไงจูนว่าไปในนามของกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์และท่านผู้ที่มาฟังธรรมในวันนี้นะคะจะขอโอกาสเป็นตัวแทนกล่าวคําถวายทธยธรรมค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะตั้งกุศลเจตนาร่วมกันค่ะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยธยธรรมกับทั้งของปริวาลทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ประโมทปราโมโช ขอพระอาจารย์จงรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลลนานเทิดยถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวาอิโตดินงังเปตาณังอุปกรปติอิชิตังปจิตังตุมหังขิ ป, ปเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยถ า, ามณีโชติรโาโสยถา สพีติโยวิวัตชันตูสภาโรโควินาสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะอาภิวาธนาศิริสนิตจังุทธาปจจายโนจัตตารโอธรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพระลังหัดนาภาวนาไปฟังซีดีหลวงพ่อเพิ่มนะค่อยๆฟังไป พอเข้าใจเนี่ยจิตจะตื่นอย่างรวดเร็วเลยคนไหนที่ตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยการทรนาที่เหลือจะง่ายแล้วนะยากมากเลยที่คนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมาแต่ไม่ยากเลยที่คนที่ตื่นแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้นะงั้นฝึกไปเรื่อยจนตื่นนะนี่พูดด้วยความหวังดีเลยละ